ไปต้องการก็หีบไปได้เอาไปเฉพาะของเราก็พอไม่ต้องไปแจกไม่ต้องไปเปลือยนะครับตัวเองของตัวละพอพยายากได้ให้มาเอาในอินเทอร์เน็ตก็ดาวน์โหลดได้ก็ไปในพระสุชาติ com ก็ดาวน์โหลดได้ หังสือชุดใหม่นี้เขาคัดมาจากพรรษาที่แล้วที่แสดงธรรมในช่วงเข้าพรรษาปีที่แล้วเขาก็เอามาแยกเป็นหนังสือสี่ชุดชุดธรรมะบนเขาเป็นธรรมที่แสดงบนเขาธรรมะในศาลาก็เป็นธรรมแสดงในศาลาตอนเช้าก่อนฉัน แล้วก็คำตอบปัญหาคาใจก็เอาจากคำถามที่ญาติโยมถามกันเข้ามาแล้วก็ธรรมะโดนใจก็คัดเอาธรรมะที่อ่านแล้วโดนใจก็เลยมีหนังสืออยู่สสชุดด้วยกัน4ี่เล่มด้วยกันก็มีสาธายาโยม เ, เป็นจะภาพจัดพิมพ์ให้ มาเป็นเหมือนยายารักษาโรคร่างกายก็ต้องใช้ยาเวลาไม่สบายใจเวลาไม่สบายก็ต้องใช้ธรรมโอสถธรรมโอสถก็คือยารักษาโรคใจโรคใจก็เวลาที่เราไม่สบายใจ ท, ทั้งท่านี่ร่างกายเราก็สบายดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อดอยากขาดแคลนแต่ใจเราเศร้าหมองเศร้าโศกเสียใจอุ่นวายวิตกกังวลท้อแท้เบื่อหน่ายพวกนี้เรียกว่าเป็นโรคใจความไม่สบายใจทุกรูปแบบนี้ถือว่าเป็นเป็นโรคของใจที่เกิดจากเชื้อโรค ของใจเชื้อโลกของใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากถ้ามีสิ่งเหล่านี้โผล่ขึ้นมามันก็จะสร้างความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจให้กับเราถ้าเรามีธรรมโอสรส มาระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ใจก็จะสงบหายจากความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจวันนี้ยกตัวอย่างมีพระชาวต่างประเทศท่านบอกว่าท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเวียนศีรษะ อยากจะไปหาหมอไปให้หมอตรวจเลือดตรวจอะไรดูเราบอกว่ามันไปก็ไปได้แต่เราคิดว่ามันไปก็เท่านั้นเพราะโรอย่างนี้บางทีหมอก็หาสาเหตุไม่เจอมันอาจจะเป็นเพราะร่างกายเราเริ่มแก่ลงไปมันก็มีอาการที่ อย่างนี้หน้ามืดเวียนหัวเวียนศีรษะเราก็บอกเขาว่าเราก็เป็นเวลานอนนี่เวลาลุกขึ้นมาจะลุกขึ้นมายืนเลยไม่ได้พอนอนแล้วพอลุกขึ้นมาจะยืนจะเดินนี่มันจะหน้ามืดทันทีเพราะเลือดมันไหลไม่ทันขึ้นไปบนสมองไม่ทันมันก็จะทําให้หน้ามืดต้องนั่งสักพักก่อน เวลานอนนี่ลุกขึ้นมานั่งนับสักหนึ่ง -10 งสิแล้วค่อยลุกขึ้นยืนมันก็จะไม่มืดแล้วอาการเจ็บปวดตามร่างกายปวดตรงนั่นปวดตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของร่างกายถ้าเรามาคอยวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายใจของเราก็จะไม่มีความสุขใจของเราก็จะมีความทุกข์ แล้ว ม, มันก็จะเด่วลงไปเรื่อยๆ อ, อาการของร่างกายอายุมากขึ้นความชรามากขึ้นอาการเจ็บอาการปวดตามร่างกายส่วนต่างๆมันก็จะมีมากขึ้นเป็นธรรมดาเราไปรักษามันยังไงมันก็รักษาไม่ได้แล้วมันก็ต้องในที่สุดมันก็ต้องตายไปอยู่ดี ถ้าเราโมแต่ไปรักษาร่างกายเราจะไม่ได้รักษาใจแล้วการที่เรามาบวชนี้เราไม่ได้มาบวชเพื่อมารักษาร่างกายเรามาบวชเพื่อรักษาใจใจนี้สำคัญกว่าร่างกายเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นของถาวรร่างกายเป็นของชั่วคราวต่อให้เรารักษาร่างกาย ดีขนาดไหนมันก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้โรคของร่างกายพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงไว้แล้วว่ามีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งก็คือโรคที่เกิดขึ้นเองแล้วก็หายเองได้เป็นแล้วเดียวมันก็หายเองเช่นเป็นหวัดเป็นโรคหวัดนี้ไม่ต้องไปหาหมอก็ได้เป็นสี่ห้าวันมันก็หายเป็นเองหายเอง หรือเป็นแผลตรงนั้นเป็นแผลตรงนี้เดี๋ยวมันก็หายเองไม่ต้องหาหมอนี่คือโรคชนิดที่หนึ่งโรคชนิดที่สองก็คือเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษามันก็ไม่หายโรคชนิดที่สพอเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่ รักษาด้วยฟืนเท่านั้นที่จะหายหายไปหมดเล ย, หยหเลย ห, ยหเลือแต่ขี้เท่าเหลือแต่เศษกระดูโรคทั้งหลายหายหมดเชื้อโรคทั้งหลายที่มีอในร่างกายตายหมดนี่คือโครคภัยไข้เจ็บของร่างกายมันมีอยู่สามโรคสามชนิดนเพราะฉะนั้น เราก็วิเคราะห์ดูว่ามันเป็นโรคที่เรารักษาได้หรือไม่ เ, เขาก็บอกว่าเออเขาเข า, เขายังรักษาฟันอยู่ฟันนี้รักษาได้ก็ไปรักษาไปทำฟันปวดฟันฟันถอนฟันเปลี่ยนฟันใหม่อะไรอย่างนี้รักษาได้ก็รักษาไปแต่โรคที่เราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบางทีก็เกิดจากกิเลส ก็จากความเครียดของใจใจอยากให้ร่างกายสบายไม่มีความเจ็บความปวดตรงนั้นตรงนี้ก็ทำให้รู้สึกเจ็บตามร่างกายขึ้นมามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งมีพระอยู่รูปหนึ่งไม่ใช่พระรูปนี้นะพระที่อ่านที่เขาเล่ากันมาก็เจ็บตามร่างกาย ตามส่วนต่างๆเจ็บศีรษะเจ็บท้องเจ็บเจ็บหน้าอกเจ็บอะไรไปหาหมอหมอก็ตรวจดูอย่างละเอียดล่อก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรก็บอกท่านว่าท้าไม่ได้เป็นอะไรหรอกเขากา็ไม่รู้จะรักษาตรงไหนแล้วพอพระรูปนั้นท่านลาศิกขาไป ท่านก็กลับมาหาหมอแล้วเล่าให้หมอฟังว่าทาไหมหมอโรคต่างๆที่เราเป็นนั้นตอนนี้หายหมดเลยพอเสร็จมาแล้วมันหายไปหมดเลยพอเวลาเป็นพระนี่ไม่รู้มันมาจากไหนโรคกิเลสพอเป็นพระนี่มันทำอะไรไม่ได้อยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ย ว, ไ, ยวไม่ได้อยากจะไปนอนกับศีกาก็นอนไม่ได้ อยากจะกินอาหารเย็นกินอาหารค่ำก็กินไม่ได้อยากจะดูหนังฟังเทงก็ดูไม่ได้พอลาสิกขาไปแล้วทำพวกนี้ได้หมดโรคต่างๆหายไปหมดเลยก็เลยอธิบายให้พระชาวต่างประเทศฟังท่านฟังแล้วท่านก็เข้าใจว่าออใจนี้สำคัญต้องคอยรักษาใจ อย่าไปรักษากายร่างกายจนทําให้ใจวุ่นวายต้องรู้ว่ามันเป็นโรคชนิดไหนโรคชนิดรักษาได้หรือรักษาไม่ได้รักษาไม่ได้ก็อย่าไปวุ่นวายกับมันอยู่กับมันไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปแต่อย่าไปคิดว่าจะต้องรักษาให้มันได้พอเป็นอะไรนี่ต้องรักษาให้ได้ถ้าไปตรวจแล้วหมอเขา ดูแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรเป็นก็อย่าไปดันทุลังไปหาหมออื่นไปโตดวจพิเศษเพิ่มขึ้นจะเสียเวลาเปล่าๆเสียเงินเสียทองเปล่าๆอยู่กับมันที่กว่าทาใจให้สงบแล้วรับว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็บอกเขาว่าเราก็เป็นเนี่ย เราก็เวียนศีรษะหน้ามืดนแต่เราก็อยู่กับมันไปปรับมันไปปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันก็ปวดข้งมันตามธรรมดาปวดแล้วบางทีก็จบนวดบีบมันมันก็หายบางทีบีบไม่หายก็อยู่กับมันไปนมันเป็นอย่างนี้ให้คิดว่ามันเป็นอย่างนี้เราอย่าไปวุ่นวายกับมัน ที่เราวุ่นวายเพราะความอยากของเรากิเลสตัณหาของเราอยากจะให้ร่างกายมันดีมันไม่เจ็บมันไม่เป็นอะไรแต่มันฝืนธรรมชาติฝืนความจริงรักษาได้เดี๋ยวมันหายตรงนี้เดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นไปตรงนั้นอกีกมันมีโรคภัยไข้เจ็บโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อย ถ้าเราไม่ปล่อยวางร่างกายนี้เราจะทุกข์ไปกับมันไม่มีวันสิ้นสุดแล้วถึงเวลาตายเราจะปล่อยไม่ได้แต่เราปล่อยได้แล้วเวลาตายนี่เราจะไม่เดือดร้อนมันจะอยู่จะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรามีธรรมโอสถธรรมโอสถคือปัญญาที่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นของสับเปล่ร่างกายนี้เวลาตายนี่ต่อให้รักกันขนาดไหนแฟนก็ไม่เก็บเอาไว้ยกให้สับเปล่มอมให้สับเปล่เลยนี่แหละร่างกายของพวกเรามันไม่ได้เป็นของใครหรอกเป็นของวัดเป็นของสับเล่ เป็นของป่าชา้าเป็นของสุสานนี่คือที่ไปของร่างกายของพวกเราส่วนเราที่มาครอบคองร่างกายเกิดใจนี้เราก็ไปตามบุญตามบาปที่เราทําถ้าเรามีบุญก็ไปดีไปสวรรค์ถ้ามีบาปก็ไปอบายถ้ามีธรรมะโอสถก็ไปนิพพานไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่ คนที่ปล่อยวางร่างกายแล้วแล้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่คนที่ยังไม่ปล่อยเวลาร่างกายนี้ตายไปก็กลับมาหาร่างกายใหม่มาหาร่างกายใหม่มาแทนร่างกายเก่าเพราะยังอยากใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆอยยังอยากจะดูยังอยากจะฟังยังอยากจะดื่มอยากรับประทานอยากจะเที่ยวก็ต้องมีร่างกาย ก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกขกับร่างกายอันใหม่ทุกเดี๋ยวเพราะว่ามันก็ต้องแก่แก่มันก็จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นนู่นเป็นนี่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปก็ทุกข์กับมันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมกลับมาก็ทำเหมือนเดิมเครียดกับมันทุกข์กับมันเพราะอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บ อยากไม่ให้มันตายไม่ให้มันตายมันก็เลยทำให้ต้องทุกขกับร่างกายแล้วก็ตายไปก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่ทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านครั้งนะเราเปลี่ยนร่างกายนี้มาไม่รู้กี่ล้านล่างนะเห็นว่าตายเกิดนะับไม่ถ้วนนะจำนวนพบชาตินี้ถ้าอยากจะรู้ว่ามากรวบรวมกันไว้เดียว บอกว่ามันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรกินดูว่าจะต้องเกิดมากี่ครั้งมาร้องไห้กี่ครั้งถึงจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นคือจำนวนร่างกายที่เราได้มาครอบครองรามาทุกข์กับมันทุกร่างกายมาร้องหหมร้องไห้ไปกาลัง พอเราไม่มีธรรมโอษฐ์ไม่มีปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราทำตามที่พูะเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอยู่เนืองเนืองว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายแล้วจะสบายใจจะไม่ทุกข์ใจถ้าไม่ยอมก็จะทุกข์จะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับกวนกระวายกระสับกระสา่ายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายทำมาจากดินน้ำลมไฟลมที่เราหายใจนี้ก็ธาตาุลม น้ำที่เราเดื่มก็ไปนี่เรียกว่าธาตุน้ำอาหารที่เรากินเข้าไปที่เป็นข้าวเป็นผักเป็นเนื้อนี่เป็นธาตุดินมาจากดินทำมาจากดินข้าวนี่ต้องปลูกในดินผักก็ปลูกในดินเนื้อสัตว์ก็กินข้าวกินผักมันก็มาจากดินพอมันเข้าไปรวมกันในร่างกายก็ทำให้มีธาตุที่สี่ เกิดธาตุไฟเกิดขึ้นมาร่างกายนี้อบอุ่นไม่เย็นเฉียบมีธาตุไฟเพราะเวลาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันธาตุดินธาตุน้ำธาธาตุลมมาผสมกันก็ทำให้เกิดธาตุไฟแล้วก็ทำให้เกิดอาการ32สองของร่างกายผมขนและฟันมาจากไหนถ้าเราไม่กินข้าวดูนิมันจะมีผมม ถ้าเกิดมาออกมาจากท้องแม่แล้วไม่กินข้าวเลยหรือว่าร่างกายมันจะผมมันจะยาวขึ้นไหมขนเล็บฟันมันจะยาวขึ้นจะโตขึ้นไหมกระดูกมันจะใหญ่ขึ้นไหเอวัยวะต่างๆหัวใจตับไตไส้พุงนี่มันจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เพราะ้าสีที่เราเอาเข้าไปตลอดเวลา ธาตลมนี้เอาเข้าอยู่ตลอดเวลาขาดทานลมเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ตายแล้วถาถ้าขาดทานน้ำก็เจ็ดวันสิบวันก็ตายแล้ะทานดินนี่นานหน่อยขาดเดินหนึ่งก็ยังพอจะอยู่ได้แต่เมื่อไดที่มันบทสภาพ อาการทั้งสามจสองนี่มันก็จะสลายกลับไปสู่ดินน้ำนมไฟทานน้ำคืนเลือดน้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำสเลจน้ำเงือน้ำตาน้ำามกน้ำมันค้นน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำปัสสาวะนี่ก็เป็นธาตุน้ำเวลาคนตายไปนี้มันแยกออกจากกัน ถ้าร่างกายนี้ไม่เราไปฝังไปเผาปล่อยมันว่าเฉยๆเดี๋ยวธาตน้ามันก็จะไหลออกมาธาตุไฟมันก็จะออกไปร่างกายก็จะเย็นเฉียบ้าตลมมันก็จะไหลออกมากลิ่นของร่างกายที่เราได้ได้กลิ่นนั่นก็คือธาตุลมที่เหลือก็เป็นธาตุดิน ร่างกายถ้าทิ้งไว้นานเข้ามันก็แห้งกรอบผุพังไปกลับคืนสู่ดินไปนี่คือร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงผมเหรอเวลาเราโกนผมไปเราหายไปกับผมหรอือเปล่าเวลาเราโกนผมไปเอาผมไปทิ้งเราไปกับผมหรอือเปล่าถ้าผมเป็นเราเราเป็นผมมันก็ต้องไปได้วยกัน ขนเป็นเราหรือเปล่าเวลาถอนขนเล็บเป็นเราหรือเปล่าเวลาตัดเล็บไปฟันเวลาถอนไปมันยังเราไปกับมันหรือเปล่าถ้ามันเป็นเราเราเป็นมันก็ต้องไปด้วยกัน้สรุปแล้วอาการทั้งสาที่สองนี้ลองไล่ไปดูมันไม่มีส่วนไหนที่เป็นเราเลยเราเป็นผู้คิดนี่แหละเราเป็นผู้รู้นี่นี่คือเรา ผู้รู้ผู้คิดก็คือใจเราออกมาจากใจออกมาจากผู้รู้ผู้คิดที่มาครอบครองร่างกายนี้ตอนที่แม่กําลังสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาอยู่ในท้องเวลาที่ร่างกายอันนี้ตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไปรอจังหวะหาท้องหาร่างกายที่ ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องของแม่พอมีการสร้างร่างกายขึ้นมามีการผสมพันธุ์เดี๋ยวก็มีร่างกายปรากฏใจที่ไม่มีร่างกายก็ไปไปจองเลยไปจับจองเหมือนกับเราไปจองรถยนต์เนี่ยรถยนต์บางทีเขายังไม่ทันผลิตเราไปจองที่โรงงานแล้วเอาคันนี้เอารุ่นนี้ แล้วพอเขาผลิตเสร็จเขาก็ส่งมาให้เราเราก็ไปรับแล้วเราก็ขับมันไปไหนมาไหนก็เลยคิดว่าเราเป็นรถยนต์ไปอยู่กับรถยนต์ตลอดเวลาไม่เคยแยกออกจากรถยนต์เลยแยกก็แยกตอนเวลาหลับนอนเท่านี้เวลาที่เราหลับนอนนี้ใจกับร่างกายก็แยกกันชั่วข่าวร่างกายก็นอนไม่รู้เรื่องอะไร แต่ใจก็ไปนูนะ่นไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างฝันดีก็ไปสวรรค์ฝันร้ายก็ไปนรกนจะแยกกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันแยกกันแล้วพอตื่นขึ้นมามันก็กลับมารวมกันหมเหมือนคนขับรถเนี่ยพอเวลานอนก็ออกจากรถไปนอนที่บ้านพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เข้ามาในรถขับรถต่อไปเหมือนคนขับรถแท็กซี่เนี่ยอยู่กับรถทั้งวัน ขับทั้งวันไปไหนมาไหนไปไปกับรถตลอดเวลาจนกันทั่งคิดว่ารถกับคนขับนี่เป็นคนเดียวกันเลยไปห่วงรถมากกว่าห่วงคนขับคนขับกับไม่ห่วงไปห่วงรถเพราะว่าคนขับต้องอาศัยรถเป็นเครื่องมือหาความสุขหาเงินหาทองใจนี้ไปห่วงร่างกายเพราะว่าใจต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุข อยากจะดูก็ต้องมีร่างกายดูมีตาดูอยากจะฟังก็ต้องมีหูมีร่างกายฉะนั้นใจเลยต้องดูแลร่างกายยิ่งกว่าดูแลใจเพราะความหลงเพราะไม่รู้ว่าความสุขที่ได้ทางร่างกายนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากทางใจไม่ได้ ความทุกข์ที่ได้จากทางร่างกายมันก็สู้ความทุกข์ที่ได้จากทางใจไม่ได้ก็เลยสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะว่าความห่วงใยร่างกายนี้ทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจทุกข์ความสุขที่ได้จากทางร่างกายนี้สู้ความทุกข์ที่ได้จากความวุ่นวายใจไม่ได้ได้เงินมาเป็นร้อยล้านพันล้าน แต่ใจกับไม่มีความสุขใจกับมีความวุ่นวายแต่ก็ไม่รู้จะทําไงรู้เพียงแต่วิธีหาเงินไม่รู้วิธีทําให้ใจไม่วุ่นวายไม่รู้จักวิธีทําให้ใจสงบมีความสุขเพราะไม่เข้าหาธรรมโอสถกันกลับไปคิดว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนล่าสมัย เป็นคำสอนของคนโง่คนงมงายคนฉลาดนี้เขาไม่เข้าวัดกันหรอกคนตลาดเขาเข้าตลาดหุ้นกันเขาไปหาเงินกันเขาไปเที่ยวกันไปตามสถานที่ต่างๆไปแหล่งบันเทิงไปธนาคารไปหาเงินหาทองกัน คนโง่ท่านะที่ไปวัดไปนั่งพุโทโธพุโทโธมันได้อะไรว่านั่งพุโทโธพุโทโธข้าวจะมีกินไหมถ้ากิพุโทโธอย่างเดียวมันจะมีข้าวกินหรือเปล่า <c oughs> แต่มันไม่มีเนี่ยพระพระพระที่เขาพุโทโธพุโทโธนี่มีข้าวมาให้กินทุกวันเห็นไหม <c oughs> นี่แหละมัน คนฉลาดเลยกลายเป็นคนง่ไปคนง้อเลยกลายเป็นคนฉลาดไปคนง่ก็คือคนที่คิดว่าตนเองฉลาดคิดว่าตนเองเก่งหาเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านหาตาแหน่งได้เป็นถึงนายกเป็นถึง ป, ประธานาธิบดีคนพวกนี้เขาคิดว่าเขาฉลาดแต่แบกกองทุกข์อยู่ในหัวใจโดยไม่รู้สึกตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนกายหน้าผา วิตกกังวลกับเรื่องต่างๆวิตกกังวลกับทรัพย์ที่ได้มาวิตกกังวลกับตำแหน่งที่ได้มาแทนที่จะมีความสุขใจกับมีความทุกข์ใจมีความสุขเพียงแป๊บเดียวเวลาที่ได้มาก็ดีอกดีใจหรือสุขทางร่างกายอยากจะกินอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะทำอะไรก็สามารถทำได้ เวลาสูญเสียอะไรไปนี่โอ้โหแทบจะขาดใจตายเวลาสูญเสียสิ่งที่รักไปเสียลูกเสียแฟนไปนี่เสียสมบัติเสียอะไรไปนี่หละคือคนฉลาดคนฉลาดที่แบกกองทุกข์อยู่ในหัวใจส่วนคนโง่ที่นั่พุโธพุทโธนี้แบกแต่ความสุขอยู่ในหัวใจ แต่อยู่อย่างยากลำบากอยู่อย่างขอทานอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่แบบไม่มีบ้านไม่มีช่องอยู่อยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามเงื้อผาบ้างอยู่ตามถ้ำบ้างอยู่ตามเรือนร้างบ้างอยู่แบบขอทานขอข้าวเขากินทุกวันเดินบินตะบาดขอข้าวเขาเสื้อผ้าก็มีไม่กี่ชิ้นไว้สวมใส่ สมบัติไม่มีอะไรเลยไม่มีสมบัติไม่มีสิ่งมีค่าอะไรจึงอยู่ในป่าได้อย่างสบายไม่มีโจรทุรายที่จะมามาป้นมาจี้เพราะไม่มีอะไรให้ป้นให้จี้มีแต่บาทใบเดียวมีผ้าสามผืนมีที่ก้นหนวดที่กองน้ำมีเข็มขัดรัดเอวมีเข็มก็ะด้เนี่ยสมบัติของคนโง่มีแค่นี้ ไม่หามากไปกว่านี้แต่อยู่สบายใจอยู่แบบคนง่อนี่อยู่อย่างสบายใจอยู่แบบคนฉลาดนี่อยู่แบบวุ่นวายใจทุกใจเครียดตลอดเวลาถึงกับต้องกินยากล่อมประสาทกันกินยานอนหลับกันเพราะนอนไม่หลับเรื่องมากคนที่มีสมบัติมากมีตำแหน่งสูงนี่มีเรื่องมาก เวลาหลับนี่ขมใจไม่ได้ทำใจให้หลับไม่ได้เลยต้องอาศัยยากล่อมประสาทยาระงับความเครียดยายาทำให้หลับนอนในเวลาร่างกายไม่มีเรี่ยวแรนก็กินยากระตุน้นยาบ้ายาอะไรอาศัยยาแล้วในที่สุดก็ติดยา เดี๋ยวนเสืก็ตายเพราะยากินยามากเกินไปนี่คือคนฉลาดคนที่หาทรัพย์เก่งหาเงินเก่งหาตำแหน่งเก่งแต่ใจนี่ร้อนเป็นไฟใจมีความทุกข์ตลอดเวลาส่วนคนโง่ที่รู้แต่พุดโทพุดโทอย่างเดียวนี่อยู่แบบขอทาน แต่ใจไม่มีความทุกข์ใจสงบใจสบายสุขรังสุขหนอสุขหนา อ, อย่างมีนิทานมีเรื่องในสมัยพุทธกาลมีมหาเศรษฐีหลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาก็เลยออกบวชสละสมบัติให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวไป ตัวเองไปบวชปฏิบัติได้พักหนึ่งก็บรรลุพอบรรลุนั้นนี่มันสุกหล้อเกินมันห้ามไม่อยู่เดินไปไหนก็อุทานว่าสุกหนอสุกหนอพระเนร เ, เห็นพระรูปนี้ทำไมไม่สำรวมเดินไปไหนมาไหนทำไมบ่นสุกหนอสุกหนอก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกไปถามว่า เป็ไงท่านทําไมท่านไม่สํารวมทําไมไม่สํารวมกายวาจาใจก้าวกระผมสํารวมไม่ไหวเพราะว่าความสุขที่มันอยู่ในใจนี่มันมีพลังมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้สมัยที่ผมเป็นมาเสถียรผมไม่เคยพบกับความสุขแบบนี้มาเลยพอผมพบกับความสุขแบบนี้ผมมันห้ามไม่อยู่พระเจ้บอกถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไร สุกเนอสุกหนอะ น, นี่แหละความสุขใจมันอยู่ตรงนั้นอยู่การที่เราไม่มีอะไรถ้ามีอะไรแล้วมันทุกหนอมีแฟนก็ต้องทุกข์กับแฟนมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันพอไม่มีแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วยมันก็สุกหนอสุกหนอ นี่แหละคือธรรมโอสถของพระพุทธเจ้ารักษาใจที่ทุกข์ให้กลายเป็นสุขเนี่ยจากเศรษฐีที่มีแต่ความทุกข์แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดกับเรื่องสมบัติเครียดกับเรื่องการงานต่างๆพอออกบวชปั๊บทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดมาทําใจให้สงบมาใช้ธรรมโอสถพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ไม่มีความอยากได้อะไรต่างๆในโลกนี้ไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่มีความต้องการอะไรแล้วใจก็สุขหนอสุกหนอขึ้นมาตันหาความอยากตัวที่ทำให้ใจวุ่นวายนี้หายไปหมดถ้ามีความอยากแม้แต่นิดหนึ่งนี้มันจะทาให้ใจสั่นเลยทาให้ใจไม่เป็นปกติใจไม่สุข พออยากจะได้อะไรนี้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วต้องดิ้นไปหามาให้ได้พอได้มาแล้วก็สุขเดียวเดียวเดียวความอยากตัวใหม่ก็โผล่ขึ้นมานี่ลหละคือตัวปัญหาตัวเชื้อโรคของใจที่สร้างความที่สร้างโรคให้กับใจก็คือตันหาความอยากกาตัหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา หรือความโลภความโกรธความหลงนี่ถ้าใครกำจัดพวกนี้หมดไปจากใจได้แล้วจะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่จะมีแต่สุขน้อสุขน้อไปตลอดร่างกายจะอยู่แบบไหนไม่เป็นปัญหาจะเจ็บจะป่วยหรือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นปัญหาอยู่ก็มันได้จะเป็นจะตายไม่เป็นปัญหาเป็นก็ปล่อยมันเป็นตายตายก็ปล่อยมันตาย ไม่ต้องมากังวลกับมันเพราะมันไม่ได้เป็นตัวเราไปเลี้ยงคนอื่นทำไมตัวเรากับแม่เลี้ยงไปเลี้ยงคนอื่นเวลาเราหิวนี่ทำไมไม่ให้อาหารกับคนที่หิวเวลาหิวนี่ใจหิวแต่ไปให้ร่างกายทำไมร่างกายมันบอกพอแล้วจะเป็นตุ่มอยู่แล้วอดสักสิบวันก็ไม่ตายร่างกา ย, ยไม่เชื่อลองไปอดดูเลยคนที่มาบวชสามเดือนนี่เขาว่าน้าหนักลดไปสิบกิโลนะ กินมื้อเดียวแทนที่จะกินสี่ห้ามือ้อกินแค่มื้อเดียวน้ําหนักมันก็เลยลดมันไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรหรอคนที่วิเคราะห์โรคอ้วนนี้วิเคราะห์ไปร้อยแปดพันประการว่าเป็นกรรมพันมัน่ง เ, เป็นนู่นเป็นนี่บั่งจริงมันเป็นตันหาความอยากกินเท่านั้นแหละถ้ามันไม่มีความอยากกินมันจะอ้วนได้ยังไงมันอยากกินมันกินแบบไม่มีขอบมีเขตไม่มีเวล่ำเวลา ออย่างเมื่อไรก็ต้องกินวันนั้นเพราะไม่กินแล้วมันจะดินตายให้ได้มันเครียดแต่ตัวที่หิวไม่ได้กินน่ะนปัญหาไอตัวที่ไม่หิวกลับไปให้มันกินมันก็เลยอ้วนไอตัวที่หิวมันก็พร้อมอยู่นั่นก็ใจเนี่ยมันหิวกิเลสมันอยู่ที่ใจออยากจะให้ใจอิ่มมันก็ต้องทำใจให้สงบนั่งสมาธิไปหรื อ, ห ร, อหรือทาบุญทาทานไป การสมาธิไปนี้ใจอิ่มหายหิวเลยนี่แหละคือความหลงเห็นขิดเป็นชอบเห็นกับตาละปัดเพราะไม่มีธรรมะโอสถไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เป็นของเรามีใจเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นเราเป็นของเราแต่กลับไม่ดูแลมันเลย กับไปดูแลของที่ไม่ใช่เป็นของเราแล้วตายไปเอาไปได้ไหมไม่แต่ชิ้นเดียวเอาไปอะไรไม่ได้เลยเอาไปแต่ใจที่หิวโหยใจที่พร้อมเนี่ยใจที่ไปเป็นเปรตเนี่ยที่เป็นเปรดก็เพราะว่าเนี่ยไม่ได้เลี้ยงใจเลยเวลาใจหิวก็ไปเลี้ยงร่างกายแทนให้ร่างกายกินแต่ไม่ให้ใจกิน ใจต้องการบุญแต่ไม่ให้บุญกลับร่างกลับใจกลับไปให้อาหารกับร่างกายอาหารของใจก็คือบุญเวลาหิวเอาเงินไปทำบุญทาทานเนะี่ยจนเวลาอยากจะไปเที่ยวไหนเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญแทนเราจะอิ่มใจสุขใจกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวกลับมาก็หิวเหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมอยากจะไปเที่ยวต่อใช่ไหมถามคนไหนทุกคนเลยตอบเหมือนกันถามว่าคราวที่แล้วไปเที่ยวไหนมา แล้วค่ะอยากจะไปไหนต่อไหมอยากมันไม่หมดหรอกมันไม่อิ่มถ้ายังมีความอยากก็แสดงว่ายังไม่อิ่มแต่เวลาไปทําบุญแล้วรู้สึกไงอิ่มไหมอิ่มใจสุขใจไม่อยากจะไปไหนเก่าไปกันนะถ้าเวลาใจอยากนี่ต้องเอาบุญให้ใจทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนานี้ เป็นการให้อาหารกับใจถ้าใจได้ทานได้ศีลได้ภาวนาแล้วใจใจอิ่มร่างกายจะผอมด้วยเลยโลคกง้งโลกเกาโลกอะไรเนี่ยมันมาจากการกินทั้งนั้นกินมากเกินไปเพราะเลี้ยงผิดคนคนหิวไม่เลี้ยงไปเลี้ยงคนไปเลี้ยงคนที่ไม่หิวเวลาอยากกินอะไรก็ทำบุญไปสิใจมันอยาก ร่างกายไม่อยากร่างกายมันกินวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วแต่สิ่งที่ขาดก็คือใจใจขาดบุญขาดขาดอาหารอาหารของใจก็คือทานทําทานไปสิเอาเงินไปอยากจะซื้อกระเป๋าเอาเงินซื้อกระเป๋านี้ไปทําบุญทําทานหรือซื้อกระเป๋าแล้วก็เอาไปให้คนอื่นก็ได้อย่ากเก็บเอาไว้ใช้เองเห็นกระเป๋าใบไหนสวยรองเท้ากู่ไหนสวยซื้อมาเลยแล้วก็เอาไปให้เพื่อนฝูงให้ใครก็ได้ จะมีความสุขใจเพื่อนก็จะรักเราเราก็มีความสุขใจได้ซื้อของดีๆให้เพื่อนใช้แต่ไม่ไม่อย่างงั้นสิเวลาซื้อของให้คนอื่นนี่มักจะซื้อของไม่ค่อยดีแต่เวลาซื้อของให้ตัวเองนี่ต้องหาซื้อแต่ของดีๆมันก็เลยติดมันต้องอยากซื้ออยู่เรื่อยๆถ้าซื้อของดีๆให้คนอื่นต่อไปมันก็ไม่อยากจะซื้อซื้อแให้เข้าซื้อทาไมมันก็หยุดซื้อเอง ถ้าจะซื้อให้กับเราก็ซื้อต่อเมื่อมันจําเป็นอกระเป๋ามันขาดแล้วไม่มีใช้แล้วก็ซื้อซื้อก็ไม่ต้องซื้อให้มันแพงซื้อพอใส่ข้าวใส่ของได้ก็พอกระเป๋าบางทีมันทํามาจากที่เดียวกันะแต่มันติดติดชื่อไม่ไม่เหมือนกันเนี่ยกระเป๋าใบหนึ่งมีชื่อกระเป๋าไม่ไม่ใบหนึ่งไม่มีชื่อราคามันก็ต่างกันทั้งทั้งที่มันก็มาจาก โงงานนั้นเดียวกันอันนี้เป็นความหลงเป็นความฉลาดของคนของคนโง่ที่เคิดว่าตนเองฉลาดที่สามารถหาซื้อของอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับตนแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นความสุขแป๊บเดียวเวลาอยากได้พอซื้อมาแล้วดีใจเดียววันเดียวสองวันหายไปหมดแล้วความดีใจนะ ความอยากใหม่เกิดขึ้นหม่แนละ้พอไม่ได้ก็เสียใจแนละ้วหุ่นวายใจ น, นี่คือเพราะว่าไม่มีธรรมโอรสไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิต้องรู้ว่าตัวเราคือใจเราต้องรักษาใจถ้าเราต้องการรักษาตัวเราเราต้องรักษาใจและสิ่งที่จะรักษาใจก็คือ การทำทานการรักษาศีลการภาวนาไม่ใช่การหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นเป็นวิธีทําลายใจวิธีสร้างความทุกข์สร้างความเครียดความวุ่นวายให้แก่ใจเป็นการทําลายใจถ้าเราไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกิจรสนี้เรากำลังทําลายตัวเราถ้าเราต้องการรักษาตัวเรา ให้ดีให้หายให้สุขให้สบายเราต้องหมั่นทำทานหมั่นรักษาศีลหมั่นภาวนาเพียงอย่างเดียวนี่ก็คือธรรมโอสถที่พวกเราเข้ามาศึกษามาเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ดูแลรักษาตัวเราอย่างถูกต้อง เพื่อที่ใจของเราตัวเรานี่จะได้ไม่ต้องกลับมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะให้พรเดี๋ยวคุยต่ออคอยากจะคุยอยากจะถามอะไรก็ถามได้ใอยากจะกลับก็กลับได้ บางคนมาแค่ทานบางคนมาเพื่อทำมากถาคนมาเพื่อทำมากไ็อยู่ต่อผ่นไค่ะอุบายการแก้อนห้าริบอนตอนไหนนะคในช่วงอย่างเวลาถ้าเกิดว่าเวลาคนนาไปแล้วคือมันหลักเล้เนี่ยค่ะช่วงภวะนั้น เราก็ลุกมาเดินสิไปนั่งทำไมเราเดินให้มันหายง่วงก่อนแล้วค่อยไปนั่งเลยถ้ามันยังง่วงอยู่ก็อดข้าวไปเปรยาบวชใช่ไมคะอ่าเปรียาบวชก่อนถ้ายังไม่หายก็อดข้าวไปหรือไม่ก็ไปอยู่ไปอยู่ที่มันน่ากลัวไปนั่งที่ป่าช้าไปนั่งในป่าเปลวไปนั่งที่ตรงไหนมีสิงสาราสัตว์บางองค์ก็ไปนั่งที่หน้าปากเขียว ง่วงก็สับก้าวหัวทิ่มเหวลงไปเลยพอมันมีภัยแล้วมันจะไม่ง่วงพอมันอยู่ที่ไหนปลอดภัยแล้วมันจะง่วงเอ็นการภาวนาจะได้ผลมากจะต้องไปอยชน์ที่มันไม่ปลอดภยัยกล้าไปหรือเปล่าอยากจะได้ผลก็ต้องไปก็ดูพระพุทธเจ้าดูใครที่เขาบรรลุเข้าไปอยู่ที่มันไม่ปลอดภยัยจังนั้นเพราะที่ปลอดภัยมันเหมือนปลูกข้าวบนก้อนหินเน่ยมันไม่ขึ้นหรอก ใช่ไหมปลูกข้าวมันต้องไปปลูกในที่ดินดีน้ําดีมันถึงได้ขึ้นมักผลนิพานนี่มันดีในป่าในเขาในป่าช้าในป่าเปรี่ยวในที่อดยาขาดแคลนที่กันดารนี่มันขึ้นดีมักผลนิพานชอบขึ้นในที่แบบนั้นถ้าอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองนี่มันไม่ค่อยขึ้นสังเกตไม่มีใครบรรลุบ้างเยอะอยู่ในบ้านในเมืองกันเป็นล้านเป็นแสนเนี่ยไม่มีใครบรรลุแร้ว เวลาเราอยู่ในสถานที่ที่เรากลัวก็เขาให้ให้เราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่เราใช้หนึ่งเช่นอาจารย์มันก็จะมารู้จักควบคุมใจอยงเงี้ยไปได้ถ้าควบคุมไม่ได้ก็อย่าพิ่งไปเดี๋ยวจะเป็นบ้าไป <c oughs> มันก็ต้องมีสติพอที่จะพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาความกลัวขึ้นมามนก็ต้องมีสติ <c oughs> เช่นบริกรรมพุโทโธให้ถี่ยึดจนกระทัง่งไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวและทําให้เราอยู่เฉยๆได้ สงบใจสงบแล้วก็จะหายกลัวถ้ายังไม่มีสติที่จะมาแก้ความกลัวนี่ก็อย่าไปเดี๋ยวตลอดเปิดเปเนีเรากลัวนี่มันจะอยู่ไม่ได้เนี่ยบางคนอยากจะมาขออยู่บนเขานี่พอมาอยู่ท้อสองทุ่มนี่ขอกลับบ้านแล้วทนอยู่ไม่ไหวแล้วไม่รู้อะไรมันมากป็นเต็มไม่หมดเลยครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าาจะ คือมันคิดกับฟุ้งส้านบางทีก็ได้คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายก็คิดแค่นั้นเองมันก็หายมันก็หายกลัวละถ้ายอมตายแล้วมันก็หายกลัวร่างกายนี่มันตายไม่ตายถามมันแค่นี้มันนิจจังหรืออันนิจจังมันจะตายหรือไม่ตายถ้ามันจะตายให้มันตายไปสิอย่างมากก็ยอมตายพอยอมตายมันก็หายกลัวจิตมันก็สงบอาจารย์ครับ เวลาการทิ่เจราาินานี่ก็คือเราควรไอเรื่องที่เมื่อกี้อาจารย์พูดแหะบ่อได้ใช่ไหมคคือในระดับความคิดเนี่ยมันรู้แต่ในระดับใจมันก็ต้องเจอของจริงมันถึงจะใช้ร ะ, ระดับใจมันต้องเจอข้อสอบมันถึงจะทำมันถึงต้องทําใจแต่ตอนนี้มันระดับความคิดเพามไม่มีข้อสอบมันก็คิดมันก็ต้องคิดไปก่อนซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาก็จะได้เอาความคิดนี้มาทําใจ ในระหว่างนี้เราก็นึกแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าไม่นึกเดี๋ยวเวลาถึงเวลามันนึกไม่ออกถึงเวลามันนึกยอไม่ยอมตายอย่างเดียวพอไม่ยอมตายมันก็ทุกข์แต่ถ้ามันนึกบ่อยๆพอถึงเวลาเจอเหตุการณ์ก็ยอมตายได้พอยอมตายได้มันก็หายทุกข์ทีนี้มันกลับมาพอนึกถึงความตาย มันเป็นความกลัวที่มันแตกต่างความกลัวสถานที่อะค่ะอาจารย์เหมือนกันแหละมันสถานที่มันก็กลัวตายนั่นแหละมันจะมาทําอะไรเรามันก็มาทําร่างกายเราเท่านั้นใช่ไหมเราใช้อุบายยังไงก็ต้องตายเนี่ยอุบายแล้วก็เกิดมาแล้วก็ลงตายถ้าอยากจะสงบอยากจะไม่ทุกข์กับร่างกายก็ต้องปล่อยร่างกายมันไม่ได้เป็นของเราสัหน่อยเราไปหลง ไปคิดว่าเป็นของเราแล้วก็ไปหวงไปยึดไปติดมันนั่นเองทำไมร่างกายคนอื่นเราไม่ไปทุกข์กับเขาอะเพราะเราไม่รู้พอเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราใช่ไหมอ่าอย่างเราเนี่ยเราตายคนเดือดร้อนไหมคนไม่ทุกข์ด้วยหรอกใช่ไหมเพราะคุณรู้ว่านี่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวคุณแต่ร่างกายของคุณมันก็เหมือนกับร่างกายของเรามันก็ไม่ใช่ตัวคุณแต่คุณไปคิดว่าเป็นตัวคุณคุณก็เลยไปทุกข์กับมันคุณก็ต้องไปท้าพิสูจน์ดูก็ พ่อพุทธเจ้าบอกไม่ไม่ใช่ตัวเราลองไปดูเลยเราลองไปปล่อยมันดูเลยแล้วดูว่าจะเป็นไงถ้าปล่อยได้แล้วจะเป็นไงปล่อยได้แล้วจะทุกข์จะสุขไปพิสูจน์ดูพุทเจ้าบอกปล่อยแล้วจะสุขถ้ายึดแล้วจะทุกข์คือถ้าเราข้ามตรงนี้ก็คือเหมือนเราละเราละหลักพระีธิธีเรื่องเดียวกัน อ, อ ก, ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเอง พิจารณาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่แต่กายาทิฏฐิไมาว่ามันเป็นเราของเราใช่ไหมทีนี้เราใช้อุบายหลายๆอย่างไปด้วยกันนะคะอาจารย์ทั้งมวลแล้วน่ะคือบางทีก็ลึกว่าตัวเองตายบางทีก็นึกเห็นเป็นกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเครื่องมืออะย่างเงี้ย ถ, ถึงเวลายั ง, ย, งยังไม่เข้าห้องสอนยังไม่รู้ว่าเครื่องมืออันไหนใช้ได้แล้วไม่ได้เหมือนคนเอาอาวุธไปเอาปืนไปเอามีดไปเอาขอกไป ถึงเวลาข้าศิกมาคุณก็ลองดูจะใช้อันไหนได้ก็ใช้อ น, นั้นไปก็แล้วในในในขณะนี้ยังไม่ถึงข้อสอบแต่ว่าเรามีเครื่องมือสองสามชิ้นทีนี้มันเกิดว่าเราสนับใช้ไปคือคือมันมีเครื่องมืออยู่ทีนี้ความเชี่ยวชาญในแต่ละเครื่องมือคือหไม่มีก็ทําไปสิไม่มีก็ต้องทําให้มันมีสิ คือเราก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคือเพราะว่าบางครั้งมันอันนี้มันได้บางครั้งอันนี้มันไม่ได้ออะไรอย่างเนี้ค่ะเลยบางทีมันเลยสับโซเ๊ะเราจะหยิบอันไหนมาใช้ในจังหวะไหนคนไม่รู้แล้วคนอื่นจะรู้ได้ไงคนนคนใช้เครื่องไม้เครื่องมือเองคนถนัดอันไหนคนก็ใช้อนั้นสิอันไหนมันได้ผลก็เอาอันนั้นสิแล้วก็ไปพิสูจน์ด้วยมันต้องไปพิสูจน์ด้วยมันอาจจะมีผลตอนนี้แต่พอไปถึง เหตุการณ์จริงมันอาจจะไม่ได้ผลก็ได้แต่เงินมันง่ายๆก็คือให้มองว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ต้องปล่อยมันท่านนั่นเองถึงเวลาก็จะมาขอเอาคืนไปก็ให้เขาคืนไปเหมือนไปยืมของเข้ามาไปยืมรถเข้ามาแล้วไม่ยอมคืนเข า, าทาเป็นลืมไปพอเจ้าของก็ามาทวงคืนก็ไม่ยอมให้ก็เลยทุกข์ถ้ายอมคืนเข้าไปก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมนี่เราลืมไปลืว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นของเรา ก็ให้คิดอยู่เราบ่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งก็จะมาเจ้าของเขจะมาขอคืนไปคืนเข้าไปได้ไหมเท่านั้นเองเวนต้องใช้อุบายเลยมากมายให้จําว่ามันไม่ใช่ของเรามันต้องไปมันจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันดีคืนดีเขาจะมาทวงไปเวลาที่เขาจะมาเอาคืนไปเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ขอให้จําให้ได้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราอะนัตตามันไม่ใช่ของเรา เวลาเจ้าของก็จะมาขอคืนก็คืน้าไปเสร็จดินน้ําลมไฟก็จะมาขอเคืนไปน้ําเขาก็จะเอาส่วนน้าไปดินก็ว่าเอาส่วนดินไปดมก็เอาส่วนลมไปก็ขนานั้นเองขอมันง่ายๆกับไปทําให้มันยากพอดีเลยมันชอบขวางเข้าใจไหมอ่าจะมีเคล็ดลัห้พี่เขาเนี่ ความคงคือคือสมัยก่อนเนี่ยจะนั่งสมาธิได้ดนะีเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนจิตใจ<อ>ใช่วยหาชีวิตมีความสุขดีแต่ว่าเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยมีวิบากเข้ามาหลายเรื่องทีนี้พอตอนนี้เวลานั่งสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับพอถึงคณิกะอะคะ่ะนั่งสมาธิไปสักพักหนึง่งอะมันจะมีอะไรฟุ้งเฟ้อ ข, ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วตามไม่จ่ายเอเ<ส>ดินเรไม่ได้คดสติมันหมดเนี่ยสติมหมดกําลังมนขึ้นไม่ถึงอุปจาระเ<อ>ลยสติหมดกําลังต้องมาฝึกสติให้มากมา พุดโธไปพุทโทไปทั้งวันก่อนที่จะมานั่ง อ, อย่าไปคิดอย่าไปคุยกับใครอยู่คนเดียวพุดโธพุดโธรไปอย่างเดียวดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้คิดเลือ่อยเปื่อยเดี๋ยวเวลานั่งมันก็จะลงเข้าไปลึกได้นก็กลงตรงนั้นได้ใช่ม ม, มันมีสิทธิ์ที่จะหายไปนหมครับออะไรไอ้ฟงนี้หายไปหมดถ้ามีสติทุทกอย่างหายไปหมดพจาระอาน มันมันมันถ้ามีสติมันไปหมดนะอุปจาระคานิกะอัปนามันไปได้หมดแต่ว่าสติเราไม่ดีอ่าไม่มีกำลังเหมือนเติมน้ำมันนิดเดียวไปได้แค่ไม่กี่กิโลก็หมดแรงต้องเติมให้มันเต็มถังเสิสติเราไม่เต็มถังไม่ไม่มีต่อเนื่องทั้งเผลออยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ลอยคิดถึงอดีตเดี๋ยวก็ไปอนาคตเดี๋ยวก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เคยอยู่กับปัจจุบัน หนึ่กลับมาให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับปัจจุบันเูน้สึกว่าไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ห่วงสังขารไม่ได้ห่วงคันหน้าเลยแต่ว่ามันไปห่วงเรื่องอื่นๆพราะนั่นแหะมันก็ อ, อ, กอพอไปห่วงมันก็ปุงมันก็ฟุ้งเี้ก็ไม่เห็นว่ามันเป็นนิจจังอันนิจจังมันเห็นว่าไม่เป็นของเราก็ไม่ห่วงนะไปห่วงของที่ไม่ใช่เป็นของเราทําไมตายไปเอาไปได้ไหรเปล่าตายไปก็เป็นของคนอื่นเขาไปหมด แต่ห่วงอะไรตายไม่ได้คนระับทำไมตายไม่ได้ไมีใครม า, บบารพูดว่าตายไม่ได้เวลามันจะตายใครไป็นหมอาตายไม่ได้ค <c ười> ือเรื่องนี้ครับก็จะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันกับในครอบครัวบ่อยเพราะว่าตอนนี้มันจะมีเอนคาลพี LP, ใช่ไหมคะอาจารย์ที่เ <c ười> ขกกรียกว่าภพยามจิตอะเขาก็จะใช้เรื่องของการโคริทีป์อะคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะเหมือนคนขวางโลกเพราะเราก็จะเราก็จะเป็นคนที่คิดอะไรตามความเ็นจริง ก็เราอย่าไปขวางเขาแต่กขาปล่อยเข้าไปแล้ว <c oughs> เ, เราไปเราไปของเราเราทางใครทางมันไปเถียงกันทําไม <c oughs> เขาอยากจะไปทางนั้นก็ปล่อยเข้าไปทางนั้นก็สมมตเร า, เราแล้วเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเราก็จะอาจจะตายพรุ่งนี้แล้วเราก็ต้องพยายามจัดการชีวิตเราในปัจจุบันแต่ว่าทางบ้านก็จะบอกว่าให้คิดว่าไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> ยังอยู่อีกแล้วคุณจะไปเชื่อใครล่ะคุณจะคุณจะเชื่อใครละคุณไปทะเลาะกับเขาทำไมล่ะชีวิตของคุณไม่ได้เป็นชีวิตของเขาสักหน่อย หนูก็จะคิดว่าหนูหนูต้องตายพรุ่งนี้แล้วจะทวันนี้ให้ดีคุณก็ทำไปสิแล้วทำไมต้องไปเถียงกับเขาไปทะเลาะเขาทำไมเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเราคิดแบบไปเล่าทำไมล่ะไม่ใช่เรื่องต้องไปเล่าให้เขาฟังแล้วหนึองแล้วไปมีเรื่องมีราวมาทาไมลบเป็เรื่องของเราอ่ะลบเราเราสบายอ่ะลบเราเราสบายใจรอเปล่าเราก็สบายใจบวกแล้วมันสบายไหมถ้ามันไม่เป็นตามที่เราคิดอ่ะก็หนูไม่ชอบแบบนั้นไงมันหลอกตัวเองไม่ยอมมองความจริง ความจริงนี้ไม่ได้เป็นลบมันเป็นเรื่องของความจริงเรื่องสัจธรรมความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องการมองในแง่ลบมันเป็นเรื่องการมองความจริง<ม>คนที่มองในแง่บวกนี่ก็ เ, เรียกมองในในความหลอกมไม่ใช่ความจริงมันเป็นได้ที่ไหนเกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บแต่คอสแพงมากเลยค่ะหลายหมื่นแล้วเขาก็ให้โปรแกรมก็เนี่ยแหะก็เป็นอยู่ของเทขาไง ของดีๆถูกๆไม่เสียเงินกับไม่เอากับการเป็นของไม่ดีไปเนี่ยมาฟังทํานี่เสียสักกี่ตังค์เนี่ยไม่ไม่ได้เก็บเงินแม้แต่บาทเดียวกับไม่เอากันต้องไปเสียเงินต้องไปฟังในห้องแอร์ในโรงแรมเราคิดถูกแล้วนะเรามองตามความจริงออริยศาสตร์ไงความจริงอริยศาสตร์ทุกคืออะไรก็คือความแก่ความเจ็บความตายการพัดพลากจากกัน ทุพราะอะไรทุกเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนเนี่ยก็ทุกกันเนี่ยมองความมองด้านบวกนี่แล้วทุกใจใจทุกขกันเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่เขาบอาสุขค่ะใช่สุขเพราะมันยังไม่เกิดนะร้อใมันเกิดดูสิเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งดูสิว่ายังมองในแง่บวกได้เปล่าเออเดี๋ยวหายเวลาถูกเขาสารตัดสินบาหารชีวิตเอยไม่ตายหรอก ลองไปดูเลยถามให้คิดแต่ทางบวกได้ไหมตอนนั้นอ่ะอีกสองข้อค่ะอาจารย์ข้อหนึ่งคือเหมือนบางทีเราจะมีสเปนบอกว่าเฮ้ยทำอันนี้นะพูดอันนี้นะไปตรงนี้นะนนะบางครั้งมันทําแล้วมันก็ถูกดีแต่บางครั้งทําแล้วมันก็ไม่ดีเราจะมีวิธีการเลือกยังไงเอาว่าเฮ้ยอันไหนที่เราคิดว่า ม, ม, มันใช่ควรจะเชื่อเลือกทำมากสิถ้าไม่โลภไม่อยากเลยถ้ามันโลภก็อย่าไปทํามันถ้ามันอยากก็อย่าไปทํามัน ม, มันไม่ดีทั้งนั้น ถึงแม้ว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้มามันก็ไม่ดีเพราะได้มาแล้วก็ต้องมาทูกกับสิ่งที่เราได้มาทุกขอย่างไม่มีอะไรดีที่สุดอยู่กับความว่างได้ดีที่สุดอยู่กับการไม่มีอะไรอันนี้ก็กิเลสทั้งนั้นแ่ะกิเลสทั้งนั้นแหะที่ปิ๊งขึ้นมานี่กิเลสทั้งนั้นแหะถ้าไม่เป็นกิเลสก็ต้องไม่อยากได้อะไรถ้ามันปิ๊งขึ้นมาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาใครจะให้เงินร้อยล้านไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ย อยากทำอะแต่ถ้าใคร เ, นเสนอว่าโอ้อยากได้ขึ้นมาทันทีเนี่ยไปแล้วกิเลสแล้วถึงแม้จะเห็นช่องทางโอ้ยทานี้จะได้ร้อยล้านทาไปเลยได้มาร้อยล้านแล้วทำไงเครียดกับร้อยล้านอีเลยอย่าไปทาอะไรดีบางทีเราไป่มคือบงนะบุมาถึงแล้วก็ น, นานแล้ก็มิจฉาทิฏฐิคือขสุดท้ายค่ะบทีเราเหมือน่เขรว่ามันมี ตัวของเรามันชอบวิจารณ์ความคิดของเราเนี่ยความคิดเขาจอดการสามขาความคิดปรุงแต่งของเราเน่ยมันไม่มีอะไรหรอกบรีคิดว่าเป็นตัวเป็นองค์ขึ้นมายุ่งใหญ่เหมือนเรชอบวิจารณ์แล้วมันเลยขัดขวางสิ่งที่เราคนจะได้รู้ก็มันมี <c oughs> คิดที่เป็นกุศลกับคิดที่อกุศลมันก็จะมาชนกันไง พิจารณาเป็นอนิจจัง อ, อนิจจังเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอ น, นัตตาบางทีแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้มันจะโผลก็ให้มันโผลขึ้นมาแต่ไม่ต้องไปสนใจกับมันถ้าจะทําอะไรก็วิเคราะห์ดูว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าถ้าไม่เป็นธรรมก็ไม่ต้องไปทํามันเท่านั้นเองทํามันสอนเนีเราทิ้งสามีทิ้งครอบครัวเออเป็นธรรมไปเลยไม่คิดเลยมัน ดูพวตัวเจ้าผิดหรือเปล่าอ่ะพระเจ้าได้พนทนิพพานเพราะอะไรเพราะทิ้งสัเพราะทิ้งครอบครัวรทิ้งภรรยาไปไม่ใดตอนนี้เวลาที่เหมือนแบต้อ ง, ต, งตัดสินใจมันจะชอ ม, มีภาพพระเจ้าลอยอแล้วเราก็จ น, นกับเออคิดได้เพราที่บ้านจะมีลูกพระเจ้าอยู่ลูไม่พอหรอต้องดูการปฏิ บ, บัติของพระเจ้าทำทันอย่างไรถ้าเราทำแบบท่านรับรองได้วไม่ผิด1้อ ชอบขาดเลย่ชอบขาดอยู่ในตัวเองเนี่ยชอบขาดกากิเรนมันยังไม่ยอมไงมันยัง <c oughs> ไม่ยอมทั้งที่ทำเป็นของดีมันยังไม่ยอมย <c oughs> มันยังชอบของปลอมอยู่ <c oughs> ขอคุณอาารย์อฝาพอดีดูแลพ่อที่ป่วยเป็นโครคคาปินซนอยู่ค่ะทีนี้ อยากจะช่วยให้ท่านได้ไปที่ดีค่ะอยากยก็เนี่ยอยากยาก็ทุก <c oughs> แล้วทุแล <c oughs> ้วอยากไม่อยากก็ดูแลต า, ตามสภาพไป ด, <ช>ดูแ ล, แลให้ดีที่สุดได้ยังไงก็ได้อย่างนั้นแล้วจะคือทางกายยังมีนคนช่วยอยู่ทีนี้ทางใจเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเขาเน่ยไม่ใช่ของเราเของเขาคือพออ่อใจใครใจมันทีนี้เราจะประคบระ้องยังไงได้ก็เอาซีดีไปเปิดให้ฟัง ถ้าอยากจะฟังก็ฟังถ้ไม่ฟังก็ต้องปิดต้องเริ่มที่การศึกษาก่อนถ้ายังไม่รู้จักวิธีการรักษาใจก็ต้องฟังดูวิธีการรักษาใจว่าเขารักษากันอย่างไรถ้าไม่สนใจก็ช่วยไม่ได้ว่านี้ใครคนอื่นทำแทนกันไม่ได้ต้องทำกันเองต้องศึกษากันเอง ท, ที่เราทำบุญเนี่ยเราท่ทานท่านจะได้ไม้มคะยังอยู่ยังไม่ได้ ต้องให้ทําเองทําเองจะได้มากกว่าบุญอุทิศนี้เป็นบุญนิดเดียวถ้าถ้าอยากจะให้ท่านมีบุญก่อนเวลาท่านไปเราจะได้ไม่ต้องอุทิศบุญก็ให้ให้ทำในตอนนี้แต่ต้องเป็นเงินของท่านแล้วต้องเป็น ค, ความนํามน้ำของท่านเองถ้าตัวเองไม่ไม่คิดไม่ไม่บอกไม่สัง่งและไม่เอาเงินของตนไปทําก็ไม่ได้บุญอยู่ดี อย่างที่เรามาทำบุญแล้วบอกพ่อวันนี้หนูมาทำบุญให้พ่อพ่อไม่ได้บุญเนี่ยก็ได้ก็ได้แค่อนุโมทนาดีใจไปกับ ก, บการทำบุญของลูกก็ได้บุญในส่วนนั้นไปได้ความดีใจไปแต่มันไม่ได้ได้จากการทำบุญให้ทานก็ยังดีดีกว่าพอลูกมาทำบุญแล้วก็ไปบิดดานทำทำไมง้อเปล่าใช่ไ้ย อย่างนั้นก็ไม่ได้บุญไม่ได้ความสุขกับเครียดกับทุกข์ ก, กับการทําบุญของลูกพราะคิดว่าลูกหโงผิดทําบุญทําทําแล้วไม่ได้อะไรทําไปทไําไมไม่ว่าจะแบกเงินเบาบางทีอยู่ดีๆก็ไปทุกข์กับการทําทําบุญของคนอื่นทาไมจำนะถ้าอนุโมทนาไม่ได้ก็เฉยๆไปเก็บวันินของเขาก็อยากจะทํากันเรื่องของเขาไป แต่ถ้ว่าเออเขาทำแล้วได้ดีจริงๆแสดงความยินดีสนับสนุนเขาวเอออย่างเงี้ยดีทำไปเถอสาธุเราก็ได้บุญด้วยคนที่สาธุก็ได้บุญด้วยได้ความสุขใจแต่ไม่ได้บุญจากที่การทำบุญนะคนละบุญกันกรรมนักการถ้าปาัญหาไม่เกิเนะีต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะก็บัวใช่ไหม บวชแล้วมันตัดความอยากสามตัวนี้ให้หมดไปจากใจอันการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาท่า น, นี้แหละง่ายๆ ก, ก็มหาที่อื่นเรียน <c oughs> วัดในประเทศนี้วัดในประเทศนี้เป็นหมื่นเป็นแสนวัดจะเอาแต่วัดไอ้ที่ไม่มี <c oughs> ก็อยากจะไปไอ้ที่มีไม่ไป ทำบุญมาแต่เล็กแตน้อยนะค่ะหมายถึงถ้าเราทําให้ท่านท่านก็จะได้รับใช่ไหมคะไม่แน่หรอกบางทีท่านไปเกิดที่ไหนแล้วท่านก็ไม่ต้องอาศัยบุญนี้บุญนี้สําหรับเวลาที่ท่านตายแล้วท่านไม่มีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจก็ต้องอาศัยบุญของคนอื่นเป็นเหมือนขอทานเนี่ยแต่ถ้าท่านทําบุญของท่านเองท่านตายไปท่านก็ไปสวรรค์เป็นเศรษฐีบุญท่านก็ไม่ต้องมา มารอรับบุญของจากค น, คนอื่เอ น, รน <ะ S 2> เราไม่รู้ว่าเขาทําบุญมากมั้ยน้อยเราก็ทําไปตามหน้าที่ของเราก็แบบล้วกันเวลาเราทำบุญเราก็อุทิศบุญไป<ค>ส่วนเขาจะรับหรือไม่รับนี่ก็เป็นเรื่องของเขาไปเขาอาจจะไปเกิดเป็นอะไรแล้ว ก, ก็ได้อาจารย์นะคะหนูฟังหลายคนนะมีปัญหาแต่ไม่ตรงกับปัญหาที่อยู่หนูอยากทราบค่ะหนูรู้จักกับอาจารย์สอน ปฏิบัติคนนี้ใครๆก็ว่าอาจารย์สอนปฏิบัติเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญมากสอนปฏิบัติให้คนได้รู้จักสิ้นสมาธิปัญญาบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุญมากแต่หนูอยากทราบว่าถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยปฏิบัติตัวคือผิดในกาม ไปแย่งสามีคนอื่นเขาทําให้ลูกเขาไม่เมียเขาต้องลําบากยากเห็นแสบนบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยบุคคลคนนี้จะได้บุญแบบตายไปไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไหมคะมันก็อยู่ขึ้นอยู่เพราะว่าบุญที่เขาทากับบาปที่เขาทำนี่อันไหนมันมากกว่ากันพราะเราทําทั้งสองอย่างบางทีเราก็ทําบุญบางทีเราก็ทําบา มันก็เหมือนกับเงินที่เราฝากกับเงินที่เรากู้อ่ะใช่ไหมเรามีเงินฝากแล้วเราก็มีเงินกู้ใช่ไหมทีเราก็ต้องดูว่าไอเงินฝากกับเงินกู้อันไหนมากกว่ากันน่ะคนที่สองปฏิบัติแล้วก็รู้บากรู้บุญเป็นยังไงแต่เขาไม่ไม่ได้ละนี่ไหมคะอ้าวก็ก็ช่วยไม่ได้รู้รู้ก็เรื่องของรู้เรื่องของการปฏิบัติก็เรื่องของการปฏิบัติมั็นคอน เ, เรื่องกันอย่างนี้มันเหมือนจะทําคู่กันไปได้อ้ากก็ได้ไงก็ เวลาคุณสอนธรรมะคนอื่นคุณก็ได้บุญจากการทำให้ให้ธรรมะแก่ผู้เวลาคุณไปแย่งผัวแย่งเมียคนอื่นคุณก็ไปทำบาปที่ <c oughs> บุญสอบบุญกับบาปวันนี้อันไหนมันจะมากกว่ากนะันมันมันติดอยู่ในใจว่าเอ๊ะคนทำอย่างนี้จะจะบาปไหมอ่านี่ก็ยกตัวอย่างอย่างพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตก็บวกเป็นพระมาต้องยี่สิบกว่าปีได้ฌานได้อิทธิฤทธ แต่ไปคิดฆ่าพระพุทธเจ้าพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งพอตายไปบาบมันมีมากกว่ามันกําลังมันมากกว่าบุญก็เลยต้องไปตกนรกก่อนเมื mm hmm. ่อพ้นจากนรกกลับมาแล้วก็จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปบุญก็ยังมีอยู่งแต่ว่าต้องไปใช้บาปก่อน mm hmm. เหมือนกับเรามีหนี้เรามีเงินฝากแต่เราเงานิงนเงนิงนเงินหี้นี้ต้องไปจ่ายเขาก่อน ใช้นี่หมดแล้วเราก็กลับมาเบิกเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารเอามาใช้ได้มันไม่ได้หายไปทั้งสองอย่างมันไม่หายไปมันเพียงแต่ว่ามันรอจังหวะว่าใครจะมีโอกาสออกผลออกดอกออกผลได้ก่อนกันถ้าเขาไปทําผิดประเวณีเขาเกิดต่อไปไปมีลูกมีเมียเขาก็อาจจะถูกเคนหนึ่ก็มาประพฤติผิดประเวณีกับเขาก็ได้เขาเป็นอาจารย์ผู้หญิงค่ะอ่าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันทั้งนั้นอนะ แต่มันอาจจะไม่เกิดในชาตินี้เพราะชาตินี้บุญที่เขาทาอาจจะแรงกว่าหรือคนจริงบุญกับบาป ท, ที่เราทําในชาตินี้มันไม่มันไม่มีโอกาสจะส่งผลส่วนใหญ่ผลที่เรารับในชาตินี้มันเป็นบุญกับบาป ท, ที่เราได้รับทำที่เราได้ทําไว้ในชาติก่อนจะมากกว่าเราจึงเข้าใจผิดกันอย่างนี้ว่าโอ้คนนี้ทําดีแต่ทําไมมีแต่ข้อกรรมตาม่างๆไอคนนี้ทําบาปทําไมมันได้ดีได้ดีอ่านี่มันเพราะว่ามัน พ่อเพราะว่ามีความคิดว่าคนที่เป็นภรรยาหลวงอ่ะอาจจะอยู่ในที่นี้ด้วยก็ได้หนูคิดเอานะว่าก็มีด้วยการเ<ใ>จ้าก่อนเน่ะมียายาไปเนี่ยโหโหของเดียวกันจังนั้นเนี่ยนะ <laughs> <laughs> ขอให้คิดแางนี้ว่า ผลผลบุญผลบาปนที่เกิดในชาตินี้ส่วนใหญ่มันมาจากชาติก่อนส่วนผลบุญผลบาปของชาตินี้มันมันยังเป็นรอชาติหน้างั้นบางทีคนเราบางทีท้องทําบุญแล้วเจอแต่ข้อกรรมก็เพราะว่าเรากําลังใช้กรรมของของชาติก่อนส่วนบุญที่เราทํานี้เราต้องรอชาติหน้า มันก็จะส่งมมไม่ทันชั่นใช่ไหมคะมันไมน่ถ้าอยากจะทันก็ต้องก็ต้องปฏิบัติอย่างเดียวบุนที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมันทัน<อ>เช่นหลุดพ้นเนี่ยปฏิบัติเยอะๆปฏิบัติเยอะอๆละใจเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆละใจเราจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนกับเคราะกรรมต่างๆอ๋อใจสาวคำถามของพ่อว่าคือ ปฏิบัติมาก็เป็นสิบปีแล้วแรกๆก็จิต บ, บอกว่าอยากได้บุญอย่างเดียวนะคะเพราะเราคิดว่าเออเราอยู่ได้บุญแต่นั้นจะปฏิบัติมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เจอข้อสอบเยอะตล้วหลังๆนี่ก็มีความรู้สึกว่าเออเราเราเข้าวัดเนี่ยเรามาม า, มาชาจาบตตอรี่มามาเก็บอารมณ์มาชาร์จแบตเตอรี่นี่แล้วเราก็กลับไปเจอข้อสอบอะไรเนี้ยค่ะ อันนี้มันก็ดูจิตของตัวเองว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะความว่างมันก็ยาวขึ้นสงบขึ้นแต่วางครั้งมันก็มีผัดสนเข้ามาก็พอดีได้ได้ธรรมะหลวงพ่อนะคะมันก็เลยเกิดปัญญาเพิ่มเติมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่คือเราเราเราปฏิบัติแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเยอะมากนะคะก็ตอนนี้ก็เหมือนกระดูใจตัวเองว่า สิ่งที่มันกระทบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ในจิตอย่างเดียวค่ะว่ามันจะมีลักษณะสองสองสองสองตัวที่แสดงคือธรรมกามนะคะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนคือทําตัวไหนคือมาแต่เดี๋ยวนี้เราเหมือนกันแยกคอยจะแยกออกแล้วว่าอันนี้คือคือทรามอันนี้คือมานะอะไรเนี้ยค่ะเราก็แต่เราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราก็ ก็ยังรู้ว่าตัวเองก็ยังยังไม่ได้ดีมากก็ก็ยังมีพลาดบ้างเหมือนกันสติไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาเพิ่มเติมส่วนกรรมฐานที่ที่ใช้เนี่ยก็เป็นคนแบบว่าขี้เบื่อก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะอันไหนที่ทําให้ใจเราสงบได้ทั้งนั้นเน่ะค่ะรักษาใจให้ไม่ให้สงบไม่ให้วุ่นวายไปกับเรื่องรางวต่างๆมันก็ต้องเปลี่ยนไปบ้าง เพระบางทีใช้อันเดียวกิเลสมันรูมน้มันมันมันรู้ทางเราก็ต้องเปลี่ยนอาวุธใหม่มันพอมันรู้เราจะใช้ทางนี้เราก็ต้องเราก็ต้อง<ช>แก้ใหม่บางทีก็ต้องแช้นิจังบางทีต้องแช้อนัตตาบ้างก็เห็นหลายๆคนก็แบบยังงงว่าจะต้องยึดอย่างเดียวไหมจริงๆมันได้หลายรูปแบบทางปัญญานี่มันได้แบบหลายแบบแต่ทางทางสมาธินี่มันเวลานั่งมันต้องเอาตัวเดียวถ้าพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียว ดูลมก็โดยลมไปอย่างเดียวแต่เรื่องปัญญานี่มันมันซอกแซกมันมันร้อยสันพันคมพูดง่ายๆกิเลสมันร้อยสันพันคมปัญญาเราก็ต้องร้อยสันพันคมถึงยะทันมันบางทีใช้ตัวนี้ฆ่ามันได้เดี๋ยวคราวหน้าใช้ตัวนี้ฆ่ามันไม่ได้มันรู้ทันละมันรู้ทันแล้วก็ต้องเอาตัวใหม่มาแทนแล้วระยะหลังนี่มีความสึกสมัยก่อนก็เป็นคนที่ฟุ้งซ่านมาก เรื่องราวนิดเดียวก็จะคิดเป็นเรื่องเป็นราวจะคิดยาวไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วอะค่ะมันมันเหมือนกับว่าสติเราทันไงใช่ค่ะสติเรารู้ว่าคิดไปทําไมคิดแล้วเครียดไ ป, ปเปล่าทุกไ ป, ปเปล่าๆใช่อันนี้จําทุกขังวณตา<ด>คแคนันเองแล้วแล้วฟังธรรมะหลงท่อนเนี่ยมันก็ทําให้เรามีกําลังมีพละมากขึ้นเหมือนกับว่า เหมือนแผนที่ชัดเจนแล้วก็มั่นมั่นคงมั่นใจอย่างเงี้ยค่ะอือันนี้มันมันจะมีตัวนี้หอีกว่าหลวงพ่อจะพูดตลอดว่าถ้าอยากมีก็บวชสิอะไรใช่ไหมคะก็ถ้าอยากจะได้เต็มร้อยไงบวชจะได้ทําทําได้เต็มร้อยไงใช่คือ น, นี้เราก็พิจรารณาจิตตัวเองตลอดว่าเออเราไม่ได้หรอกกําลังหรืออะไรมันยังไม่พอนะคะบุญมันยังไม่ไม่เต็มปัญญายังไม่เต็มค่ะยังไม่เห็นทุกข์กับ สิ่งที่เราไม่อยู่ยังเห็นว่าเป็นสุขอยู่เห็นเห็นแต่ว่ามันก็ยังรักยังหวงอยู่ยังรักยังหวงอยู่ยังไม่เห็นทุกข์แต่เห็นทุกข์มันสลัดทิ้งหมดแล้วว่าค่ะแล้วถ้าอย่างนี้เราเราเดินของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้มีได้แต่วันหนึ่งมันก็จะหูตาสว่างขึ้นมา ก็คิดว่าเราเดินไปเรื่อยๆเราไม่หยุดมันก็คงต้องถึงสักวันสักวันหนึงมันก็จะบอกว่าที่นี่วุ่นวายเนาะจริงๆมันก็วุ่นวายอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันยังมีอะไรที่สุบ้างอะไรอย่าเงี้ยมันก็ไม่ผิดนะคะผิดสิถ้ามันผิดได้มันยังติดอยู่มันก็ผิดติดยาเสพติดยี่งจะว่าผิดไม่ผิดได้ยังไงผิดผิดหรือเปล่ผิดสิลูกเสียงกีดรอดลาบยุทธสารเสือเนี่ยมันบัญญาเสพติด ไม่ใช่สมมติเราเรายังเพียนอยู่เรื่อยๆค่ะคุณครูก็นั่นแหละเพียนก็ไม่ผิดแต่เด็กมันผิดอะไรไม่หมายถึงว่าหนูกำลังบอกว่าเราเราก็ยังไม่ได้หักดิบอะไรอย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆมันก็ยังเลิกเลิกสุราไม่ได้ยังเลิกสุราไม่ได้เนี่ยจะว่าไม่ผิดได้ไงมันก็ยังผิดอยู่นั่นยังเดิมอยู่เนี่ยมันจะว่าไม่ผิดได้ไงก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์นะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ผู้ ยังยังยังมียังมีว่าเกิดเรื่งเสียงเกรอนอยู่แต่ว่าก็คิดว่าไม่ต้องจะเข้าข้างตัวเองว่าเออมันก็บางลงไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยบางก็บางเลยแต่ยอมรับความจริงแต่บางมันก็ยังยังยังมีอยู่อย่าโยกหาตัวเองแต่แต่จริงๆก็เป็นอย่างนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมจริงๆในโลกนี้เป็นอย่างนี้ ต้องทําไปเถิเดี๋ยวเห็นทุกข์แล้วมันก็จะปล่อยเองมันยังเห็นว่ามันสุขอยู่ปัญญายังมองไม่ทะลุปุบปุ๋งกิเลสมันยังโมหะความหลงมันยังครอบงำอยู่แปลว่ามีแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม่แจ้งใช่มอนแว่นตาเรายังไม่ชัดห้มันใสมันยังมัวมัวอยู่ยังเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขอยู่เดี๋ยวจะให้เขาตัดนะเดี๋ยวจะให้ตัดแล้วเริ่มรอบสองได้นะมั้งใช่ไหมคุยต่อได้ครับตัดแป๊บเดียวครับ ถ้าก็ฟังก็ได้ยินนั่นแหละอยากให้คนเขาได้ยินด้วย <c oughs> เขาจะได้ละบาปด้วยป่ะไม่ดีแล่ะเราไปอย่างนี้ไม่ดี <c oughs> เรื่องของเขาเขาจะละไม่ละมันเรื่องของเขา <c oughs> ถ้าเราไป <c oughs> อย่างนี้คือ <c oughs> อยากจะ <c oughs> หนูอยากจะควบคุมสติอยู่ได้กับทุกๆอย่างเพราะว่า <c oughs> คนเดียวเนี้ยใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่าง วิธีการของคนใช้ชีวิตเดี๋ยวนี้มันมนไม่มีการเอื้ออาทรขาะการเมตต า, นานอะไรเงนี้ค่ะเราจะสามารถคุมสติคุมอารมณ์ให้เราอยู่กับทุกสถานการณ์ทุกสภาวะได้ไหมได้<ร>ถ้าเรามีพุทธโธอยู่ทุกเวลาเราก็ควบคุมได้ใช่ไหมคะพ <laughs> <laughs> ุทโธไปเรื่อยๆเห็นอะไรก็พุทโธพุทโธไปเปิดไปเลยตรงนี้เรามาก่อเลย ไปล้วพุทโธไม่ทันแล้วอยจะบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยก็ฝึกพูุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวพุทโธก็จะก็จะทันเองใจร้อนประเดิงเยอะมากขาดขาดความขาดธรรมากกันไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวากันเดี๋ยวนี้เราไม่เด็กๆไม่พาเข้าวัดกันไม่มีการอบรมศิลธรรมกันพอโตขึ้นก็เลยใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาใช่ไห ปู่ย่าตายานี่เขาพาเด็กพาลูกหลานเข้าวัดกันไปฝึกฝนอบรมจิตใจกันไอทีเยอะแต่ธรรมะมันลดลงลดลงวัตถุมันเยอะนะวัตถุมันมากเท่าไหร่ธรรมะก็จะน้อยลงไปเรื่อยเรยเพราะมันจะไม่เห็นความสําคัญของธรรมะเพราะธรรมะมันมาขวางกิเลสขวางการอยากได้วัตถุมันก็เลยโยนทิ้งไปหมดเลยเพราะมันต้องการวัตถุมันเพราะมันเกลียววัตถุเป็นสารณะลนะ วัตถุสารนังกระชามิเนี่ยนี้มือถือนี่เป็นสารนังกระชามาิถ้าขายไปนี่โอ้ยบุญแล้วลยเหมือนกระขานลมหายใจนะเอออ่า อ, อ, อีนี้จะให้ทางบ้านเขาถามบ้างนะทางบ้านเชิญครับต่อไปต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกนะครับจากคุณคุณก้อยนะครับข้อที่หนึ่งถ้านั่งสมาธิแล้วเห็นดวงจิตวูบลงไปเหมือนตกเหวแล้วนอนนิ่งอยู่เบื้องล่างก้นเหวสว่างสวายอยู่เฉยเฉยเช่นนั้นแต่มีตัวรู้อยู่เห็นอยู่เฉยเฉยถ้าแบบนี้ถือว่าเรามีสติตามจิตเราทันหรือไม่คทับทันแสดงว่าจิตสงบจสงบให้มันดูเฉยเฉยไปให้มันนิ่งนิๆๆ่งเฉยเฉย แต่มันต้องมีอย่างคือมีอุเบกขาแล้วก็มีความสุขใจมหัศจรรย์ใจถึงจะครบสตรถ้ายังไม่มหัศจรรย์ใจยังไม่รู้สึกสุขยังอาจจะไม่ใช่ก็ได้ยังอาจจะเป็นของปลอมอยู่ถ้ามันเป็นของจริงแนละ้วมันจะตื่นเต้นมันจะมหัศจรรย์ใจว่าโอ้นี่ยสุขหนอเป็นอย่างนี้เองความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ความสุขที่พระเจ้าบอกว่า ไม่มีความสุขไหนที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบมันต้องเห็นตัวนี้มันถึงจะเรียกว่าสมาธิจริงถ้ายังไม่เห็นก็ยังยังไม่ใช่ถึงแม้มันจะรูปลงไปก็อาจจะรูปแบบหลับไปก็ได้จากข้อที่หนึ่งโยมเคยไปประคองดวงจิตให้ค่อยๆดิ่งโยมทำถูกต้องไหมคะเจนี่เราไปคลองไม่ได้หรอกเราต้องใช้สติ เราต้องใช้สติประคองสติไปดูลมหายใจไปพุโทโธพุทโธไปแล้วจิตมันก็จะเด่งของมันเองโดยตามธรรมชาติแต่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้จิตค่อยๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้คำถามจ้าคุณสิ น, นีนะครับในเพศฆราวาสควรทำให้พร้อมทั้งทานสีนภาวนาให้เต็มที่เท่าที่ทำได้ส่วนเพศนักบวชต้องเน้นสีสมาธิปัญญาให้เต็มที่ เข้าใจถูกไหมคะพระอาจารย์เนื่องจากเคยได้ยินมาว่าถ้ายังอยู่ในเพศค า, ารวาสแต่ไม่เน้นการให้ทานแต่จะเน้นศีลและภาวนาเป็นหลักก็ได้คือทานนี่มันมีไว้เพื่อกําจัดกิเลสที่มันจะใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าเราไม่ใช้เงินทองไปเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเราก็จะได้มีเวลามา รักษาศี์มาภาวนาะได้เต็มที่เงินก็เก็บไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะเรายัางต้องใช้กับร่างกายของเราอยู่แต่ถ้าเรามีมากหรือเกินนี้เก็บไว้แล้วมันเป็นภาระกับทางจิตใจก็เอาไปทําบุญทําทานแทนเช่นบางทีมีมากรู้ว่าใช้ไปก็ไม่หมดตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็ยกให้คนอื่นไปซะมันจะได้ไม่มาเป็นภาระกับทางจิตใจอันนี้คือ หลักของการทำทานเพื่อที่ใจจะได้ไม่ต้องไปพวกรพวงกับเรื่องเงินทองอย่างพวกที่บวชเป็นพระได้เขาก็ยกให้คนอื่นไปหมดเลยพระพุทธเจ้าก็สละไปหมดเลย น, นี่เรียกว่าทานแต่พวกคารวะนี่บวชไม่ได้แต่อยากจะปฏิบัติแบบนั่งปว่วยก็ยังต้องมีก้อนเงินก้อนหนึ่งไว้สำหรับค่าใช้ใจ่ายแต่ต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายจาเป็นเช่นปัจจัยสี่ ค่าอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นแต่ายาเอาไปใช้ในภารกิจอย่างอื่นถ้าเป็นเข้าสู่ระดับภาวนาปฏิบัติรมแล้วก็ไม่ควรที่จะเสียเวลากับการเอาเงินทองนี้ไปทอดพระป่าไปงานกระถินไปงานเลรองโบสถ์เจองเจดีอันนี้มันจะขัดกันเพราะว่าการไปทำบุญแบบนี้มันจะเดิงใจออกข้างนอก ส่วนการภาวนานี้ต้องการดึงใจเข้าข้างในงั้นถ้าเราอยู่ในระดับภาวนาเรานั่งสมาธิได้แล้วนี้เราต้องเลิ ก, ก, กทำทานถ้าจะทาก็ทำแบบทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยมีเท่าไหร่ก็ยกถวายวัดไปเลยเนื้ออะไรไปเลยถ้าไม่ก็เก็บไว้เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ภาวนานเพียงเดียวําจิตให้มันหลุดพ้นงั้น ก็ต้องรู้จักว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนในระดับไหนคือศาสนานี่ท่านก็แบ่งไว้2ระดับระดับนักบุญกับระดับนักบวชนะระดับนักบุญก็คือพวกที่ยังทาบุญทาทานรักษาศีล5อยู่นี่ก็เป็นพวกนักบุญงานบุญที่ไหนมีที่ไหนก็ไปหมดงานบวชงานฉลองเจดีงานฉลองบวช ง, ง, งานสร้างกุฏิงานอะไรอันนี้ เป็นพวกนักบุ ญ, บญส่วนพวกนักบวชนี่เขาหยุดไปแนละ้วเขาเข้าป่าเขาเข้าเขาก็าาาไปอยู่คนเดียวไปไปเก็บตัวไปอินทร์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อดึงใจให้เข้าข้างในปิดทวานทั้งห้าเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ในร ะ, ระดับนักบุญก็ทำไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลห้าไป อาจจะภาวนาบ้างนิดๆหน่อยๆ น, นั่งสมาธิเช้าเย็นก็ว่าไปอันนี้พวกนักบุญก็ทําอย่างนี้ถ้าพวกนักบวญเนี่ยเขาเลิกทําบุญนะเขาไม่ไปงานต่างๆนะเขาจะเข้าป่าเข้าเขาไปปีกเว้ยไปภาวนาจะเดินสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาคําถามข้อต่อไปจากคุณเล็กนะครับ ได้ปฏิบัติสมาธิจนจิตสว่างพอถอยจากสมาธิแล้วมาพิจารณาเดินจงกรมอยู่จะรับรู้ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเดินจงกรมเสร็จเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นตามที่รับรู้ในขณะปฏิบัติเป็นเช่นนี้หลายครั้งขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยแต่ก็วางเฉยเพียงแค่รู้อย่างเดียวค่ะความจริงไม่ควรไม่สนใจไอ้เรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับเราโดยตรง ให้มาสนใจเรื่องที่เกี่ยวกับเราโดยตรงคือร่างกายของเราดีกว่าให้รู้ว่าอนาคตของมันจะเป็นยังไงดีกว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราปล่อยวางมันได้หรือเปล่าเอาเอาเรื่องที่มันใกล้ตัวเราไอ้เรื่องอใกล้ตัวเราไม่ต้องไปสนใจอย่าปล่อยให้มันไปรู้เสียเวลาให้รู้เรื่องที่มันใกล้ตัวเราเวลาของที่เราลากมันจากเรานี่เราทาใจได้หรือเปล่าให้มา เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ man, ในใน marriage, supplier, ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราลักเราห่วงเราต้องเลิกรักเลิกห่วงเราถึงจะได้ไม่ทุกข์กับมันเวลา turkey, ที่ม <izo S 2> ันจากเราไปคําถามจะคุณสุขใจนะครับที่บ้านม <imes> ีร <t experiences> ูปขอเว้นวรรคนะครับจุดๆๆเทพนะครับมันจุอยู่ในกล่องเล็กๆหลายกล่องซึ่งไม่ได้หาซื้อมาจะนําออกไปทิ้งหรือทําลายได้ไหมครับ ได้จะทำไงก็ได้มันก็เป็นแค่ตุ๊ ก, กตาที่ต้องเว้นไว้เผื่อยังมีคนศรัทธาอยู่ว่าไม่อยากอ่ก็แม้แต่ว่าพุทธรูบเนี่ยความจริงมันก็เป็นตุ๊ ก, กตาดีๆนี่ใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่คนมนุษย์ที่มีกิเลสปั้นขึ้นมามันจะนมนุษย์ที่ปั้นมนุษย์ที่มีกิเลสจะปั้นพระพุทธรูปให้บรสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสได้ยังไง สิ่งที่ปั้นขึ้นมาก็เป็นดินใช่ไหมพระพุทธรูปสมัยก่อนก็ทำด้วยดินหรือทำด้วยโลหะมันก็เป็นเพียงตุ๊กตาเนี่แหละเพียงแต่เราไม่เรียกว่าตุ๊กตาเราเรียกว่าพระพุทธรูปเราจะไปรู้หรือพระพุทธเจ้าหน้าตาอย่างนี้มีทรงอย่างนี้อยูน่นี่แต่เมื่อเขาสมมุติว่าเป็นพระพุทธรูปและเป็นบุคคลที่เราเคารพเราก็เลยต้องแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปเท่านั้นเองแต่ความจรงิงพระพุทธรูปในตัวท่านท่านไม่มีอะไรหรอก ท่นคุ้มครองตัวท่านยังไม่ได้เลยโดนตัดเสียงไปขายเยอะแยะคำถามกับคุณจุ๋มนะครับมีเพื่อนเข้าอบรมการปฏิบัติธรรมแล้วมีการสอบอารมณ์ <c oughs> ด้วยเลยสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมต้องมีการสอบด้วยหรือคะเราควรรู้ได้ด้วยตัวเองไหมคะถ้าสงสัยหรือติดขัดถึงมาถามพระอาจารย์คิดแบบนี้ถูกต้างไหมคะก็การถามก็เป็นการเป็นการ คือการสอบอารมณ์นี่ก็คือเราต้องการรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินานี้เราได้ผลหรือยังบางทีเรามันไม่รู้ด้วยตัวเองบางทีเพราะเรายังไม่ได้เจอข้อสอบงั้นถ้าเรามาเจอข้อสอบเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าเราสอบตกก็ไม่สอบตกสอบได้ก็ไม่สอบไม่ได้นี่เรียกว่าสอบอารมณ์แต่การสอบอารมณ์ที่ก็ว่าสอบอารมณ์กันนี้มันเป็นการสอบถาม การปฏิบัติว่าเคืบหน้าไปถึงไหนมากกว่ายังไม่ได้พูดถึงการสอบอารมณ์จริงๆเพียงแต่ถามว่าสมมติว่าคุณเสียสิ่งที่คุณลิกไปแล้วคุณรู้สึกอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่าไม่เดือดร้อนอะไรเสียก็เสียมันนั้นนิจจ์มันไม่ใช่ของเราเ อ, อ, อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณผ่านในในเรื่องนี้ถ้าคุณไม่ทุกไม่วุ่นวายใจกับการพัดพาดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ก็เรียกว่า คุณสอบผ่านแต่ไม่ได้สอบอารมณ์อารมณ์นี่มันต้องเกิดจากเวลาเจอเหตุการณ์จริงๆเวลาใครด่าเราเนี้ยแล้วเราสาธุได้ไหรือเปล่าถ้าเราสาธุได้ก็โอ้นแสดงว่าเราผ่าน้ <c oughs> นนการสาวอารมณ์ที่แท้จริงนี้มันต้องอยู่ที่ตัวเรานอะถูกต้องแล้วสันทิติโกรเราต้องรู้แก่ใจของเราเอง <c oughs> อย่างเมื่อกี้ยยมวันนั้นบอกว่า เห็นคนนู่นทําอะไรนิดหน่อยนใจปุ๊บขึ้นมาแล้วแสดงว่ามันยังยังไม่ผ่านถ้าใจนิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้นั่นแหละเรียกว่าผ่านอยากจะรู้ว่าเราผ่านไม่ผ่านดูว่าเรารักษาโอเบขาได้หรือเปล่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่ารู้เฉยเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายใครจะด่า ก, ก็เฉยใครจะชมก็เฉยใครจะเอาแฟนไปก็เฉย แฟนที่ไม่มีใเอาไปมาด้วยไม่ดูได้ไม่แน่เดี๋ยวเผื่อปั้นนี้กขานั่งคุยกับใครก็ได้ ปฏิบัติตอนไม่มาไม่รู้ไปไหนดันต้องทำต้องทำใจถ้าทำใจใจก็จะเป็นอุเบกขาได้แค่เข้ามาบ้างแต่ดีแล้วค่ะมีไหมคำถามทศคุณอภิชาตนะครับอะไรสำคัญที่สุดในการปฏิบัติในศาสนาพุทธของเราการรักษาใจสำคัญที่สุดปฏิบัติทุกอย่างนี้เพื่อรักษาใจ แะสิ่งที่จะรักษาใจได้ก็คือสติเนี่ยเริ่มต้นที่สติมีสติแล้วก็จะเริ่มรักษาใจได้แต่ก่อนจะมีสติได้ก็ต้องมีศีลก่อนมีทานก่อนถึงจะสามารถเข้าถึงตัวสติได้เมื่อถึงตัวสติแล้วก็จะเริ่มรักษาใจได้แล้วก็จะมีสมาธิมีปัญญามาช่วยต่อไปจะคุณโดนพานะครับ ถ้ารู้สึกมีความทุกข์มากควรจะแก้ไขจิตอย่างไรคะก็ดับทุกซ์เอมันทุกข์กระดับมันถ้าไม่รู้จักวิธีดับก็ไปศึกษาดูทุกข์ท่านก็บอกว่าเกิดจากความอยากถ้าละความอยากได้มันก็หายทุกข์แต่ละได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์นั่นเองก็ปล่อยมันเสพพอปล่อยแล้วมันก็หายทุกข์ถ้าทุกข์กับแฟนก็ปล่อยแฟนไปแฟนก็อยากจะไปหนูอยากจะไปมีบ้านที่สองก็ปล่อยเขาไป เราก็จะหายทุกที่เราทุกเพราะเราไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมไห้เขามีบ้านที่สองเนี่ยจยกตัวอย่างคำถามจากคุณสุพนัทนะครับผมมีความสงสัยว่าก่อนหน้านี้ผมได้เคยศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าผ่านซีดีของพระอาจารย์หลายๆท่านโดยเฉพาะของหลวง ป, ปู่ฤาษีลิงดำวัดท่าซุงแต่ไม่ค่อยได้มีการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว ผมมีโอกาสได้บวชในโครงการของสมเด็จพระเทพเป็นระยะเวลาติดต่อกันในช่วงขณะที่บวชประมาณวันที่สผมได้เข้าถึงอั ป, ปนาสมาธิเป็นระยะเวลาสั้นๆไม่ถึงสิบวินาทีแต่ทําให้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมศึกษามามีความจริงไม่สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผมแปลกใจว่าหลังจากที่ผมซื้อของมาแล้วผมได้ทดําวัดเช้าวัดเย็นเป็นระยะเวลาหลายเดือน ต่อเนื่องกันแต่ไม่เคยได้เข้าถึงสมาธินั้นหยุดเลยผมสงสัยว่าการอยู่ในเขตพระพุทธศาสนามันทำให้เราเข้าถึงง่ายกว่าการที่เราอยู่ในเพศคาราวะหรือไม่ครับแน่นอนเพราะเวลาอยู่วัดนี่โดยที่จะดึงใจให้ออกไปมันน้อยกว่าถ้าอยู่ยูกับบ้านเรือนนี่มันมีเรื่องดึงใจให้ออกข้างนอกมันเลยเข้าข้างในไม่ได้ คนหนึ่งต้องมาอยู white ่วัดกันไงมาปฏิบัตินาะอย่างนี้ก็ไม่ต okay. ้องมาบวยกันให้เส <neighborhoods> <laughs> si ียเวลาอยู่บ้านกินกาแฟดื่มน้ําชาดูหนังฟังเพลงเวลานั่งสมาธิก็รวมเป็นอัปปนาได้เลยใช่ไหมไม่ต้องมานั่งอดๆยาๆกันนี้คําถามจากคุณพิงกี้นะครับเราจะปล่อยวางอย่างไรเจ้าคะถ้าเรายังต้องอยู่กับคนที่เราทนนิสัยเขาไม่ได้เลยก็ ถ้าเรายังต้องอยู่ก็แสดงว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทนอยู่หรืออยู่ทนไปก็ต้องทำใจว่าเราเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นส้มก็ปล่อยเขาเป็นส้มไปอย่าพยายามให้เขาเป็นกล้วยปัญหาของพวกเราคือเวลาอยู่กับกล้ยลวยเราอยากจะให้เป็นส้มพอไม่เป็นส้มก็เลยเครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาอยู่กับเขาเขาเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไป อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเขาคําถามจากคุณบุญชูนะครับผมจเจริญสติในอริยบทต่างๆให้ต่อเนื่องมากที่สุดสิ่งที่ได้คือปิติบ่อยครั้งและเห็นจิตที่ฟุ้งไปในอนาคตกับอดีตแต่พอให้อยู่กับปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็ดับลงทําให้รู้ว่าสติสําคัญมากๆควรจเจริญให้มากใช่ไหมครับใช่สตินี่สําคัญที่สุด ทุกอย่างจะเกิดได้เพราะมีสติเป็นผู้นําจากคุณพัชรานะครับการภาวนาแล้วจิตสงบรวมลงแล้วไม่ถอนออกมาจะเป็นการติดความสงบ ห, หรือไม่คะไม่มีวันไม่ถอนเอนันเดี๋ยวมันก็ถอนออกมาความจึ่อยากจะให้มันอยู่านานๆอย่างฤาษีชีพายบางท่านรวมทีอยู่ได้สิบห้าวันอย่างนี้เราเรียวกว่าข้อชานสมาบัติถ้าอย่างนั้นน่ย แล้มันต้องออกมาเพราะาเดี๋ยวร่างกายมันจะต้องปวดฉี่ปวดท้องปวดอะไรมันก็จะไปะไปสะเทือนกับใจใจก็จะต้องออกมาอยู่ดีงั้นการอยู่ไปนานานี้เขาไม่เรียกว่าติดสมาธิคขาว่าติดสมาธิก็คือว่าปฏิบัติแต่สมาธิอย่างเดียวไม่เวลาออกมาไม่เจริญทางปัญญาอย่างจึงเรียกว่าติดสมาธิถ้าถ้าออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราชํานาญในการเข้าออกสมาธิแล้ว เราก็มาจเจริญปัญญากันถ้าไม่งั้นเราก็จะติดอยู่ที่ขั้นสมาธิคำถามจะคุณต่อพงพักนะครับข้อที่หนึ่งเห็นมีคนพูดถึงการเข้าฌานต่างกับสมาธิอย่างไรครับเรารู้ได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นสมาธิอันไหนเป็นฌานอันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเดี๋ยวไปคุยที่อื่นได้ไหย ข้อที่สองการบวชเรียนให้ได้ผลก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตคารวาดที่ดีแต่งงานทดแทนผู้มีพระคุณพระอาจารย์แนะนำอย่างไรบ้างครับเช่นควรบวชไกลบ้านควร<อ>บวชวัดป่าถ้าบวชนักสื่ก็อย่าไปบวช้วเสียเวลาเลยก็เรียนอ่านหนังสือธรรมะ ก, ก็เหมือนกันแหละมันไม่จำเป็นจะต้องบวชหรอกสมัยนี้อยากเกนศึกษาธรรมะนี่มีหนังสือธรรมะให้ศึกษาได้เยอะแยะไปสมัยก่อน ที่เขาบวชกันนี่เขาบวชแบบไม่เสกกันบวชแล้เสกก็อย่าไปบวชให้มันเสียเงินเสียทองเสียเวลาเลยเพียงแต่เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเรื่อหาหนังสือธรรมะมาอ่านก็จะรู้จักวิธีที่จะอยู่อย่างคารวะอย่างมีความสุขแล้วคําถามเจ้คุณพีลาณีนะครับการตัก บ, บาตรกับพระที่นั่งประจําอยู่ที่ร้านขายกับข้าวเป็นชุดสําหรับตัก บ, บาตรจะได้บุญใหมเจ้าคะ่ะสําหรับคนให้ก็ได้บุญไม่มีปัญหาเลย เพราะการทำบุญนี้คือการเสียสละจากะทานแบ่งปันเรามีของมากเราก็อยากจะให้คนอื่นเขาได้เราก็สละส่วนนี้ไปการสละส่วนส่วนนี้ไปทำให้เรามีความสุขใจเรียกว่าบุญนั้นจะให้ใครก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะให้พระที่ยืนอยู่นะั้นมีสุนัขข้างๆก็ซื้อข้าวให้มันแล้วก็ให้มันกินก็ได้มันก็เหมือนกันเราก็เสียสละเหมือนกัน นี่คือเรียกเรียกว่าบุญที่เกิดจากการเสียสละแต่เรามีบุญอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับก็คือคนที่เราไปสนับสนุนนี่ให้เราจะได้ส่งเสริมให้เขาทาหน้าที่ของเขาถ้าเป็นพระเราส่งเสริมให้พระมีปัจจัยสี่อยู่ได้ท่านก็จะมีมกําลังจิตกําลังใจที่จะไปทําหน้าที่ของท่านได้ถ้าไม่มีใครสนับสนุนต้องหาข้าวกินเองต้องทําอะไรเอง ก็จะไม่มีเวลามาทำหน้าที่ของตนเองได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประโยชน์เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเราให้อาหารสุนัขสุนัขมันก็จะทำหน้าที่เห่าคอยเฝ้าบ้านให้เรางนั้นก็อยู่ที่ว่าเราต้องการประโยชน์อย่างไรจากไข่เราต้องการประโยชน์จากสุนัขเราก็ไปเลี้ยงสุนัขถ้าเราต้องการประโยชน์จากพระเราก็ต้องดูว่าพระนี้จะไปทาประโยชน์หรือไม่ เราเลียงท่านแล้วท่านไปนอนไปกินเฉยๆไปเที่ยวไปเล่นเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากท่านแต่ถ้าท่านเป็นพระที่ทำหน้าที่ของท่านไปเรียนไปศึกษาไปปฏิบัติเสร็จแล้วก็เอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นถ้าเราทำบุญกับพระแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์เอกต่อหนึ่งนอกจากบุญที่ได้จากการเสียสละแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากการที่ เราสนับสนุนคนให้ไปทำประโยชน์ต่อไปซึ่งประโยชน์นั้นอาจจะกลับมาหาเราก็ได้เช่นพระคนองค์ที่เราใส่บาทท่านบรรลุธรรมเราเกิดมีความทุกขใจเราไปคุยไปถามธรรมะกับท่านท่านก็อาจจะมาแก้ความทุกข์ดับความทุกข์ใจของเราก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของประโยชน์เังนั้นการทำบุญจึงมีสองลักษณะทาบุญแบบเลือกคนหรือแบบแบบไม่เลือกคนถ้าเราต้องการทาบุญเพื่อ สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้ใครไปก็ได้แต่ถ้าเราต้องการให้เงินทองของเราที่สละไปนี้เกิดประโยชน์ขึ้นมาเราก็ต้องเลือกคนที่จะเอาไปทำประโยชน์นั mm ้น hmm. หรือมีการเลือกพระเลือกทำบุญกับพระเลือกทำบุญกับคนไม่ทำบุญกับคนไม่ดีใช่ไหมไม่เอาเงินไปให้คนเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนเสพสุรายาเมาแต่จะเอาไปให้คนที่ขยันเรียนหนังสือใช่ เาเรียนหนังสือเขจบมาก็ได้เป็นคนดีมีวิชาชีพดีเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นอะไรไปเพื่อช่วยให้สังคมเราอยู่กันอย่างมีความสุขนี่คือความหมายของการเลือกทาบุญกับคนถ้าที่เลือกกับพระก็เลือกเพราะว่าเราต้องการธรรมะจากพระนี่พระก็มีหลายระดับระดับธรรมดาระดับอริยะธรรมะที่จะได้รับจากท่านแต่ละองค์ก็ไม่เท่ากัน ระดับธรรมดาก็จะได้แค่ธรรมะระดับศึกษาปริยัติถ้าทำบุญกับพระประยะก็จะธรรมะระดับปฏิบัติได้ได้ธรรมะระดับมรรคผลผนิพพานดังนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรเราก็เลือกไปหาพระที่มีสิ่งนั้นแล้วเราก็ไปทาบุญกับพระลูกนั้นคำ ถ, ถามถ้าคุณสามารถนะครับ จิตที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลารู้เกิดดับของอารมณ์เป็นจิตขั้นใดครับก็ขั้นปัขั้นปัจจุบันนั่นแหละมีขั้นอะไรมันยังไม่ได้ละเอียดเข้าไปว่ามันตัดกิเลสตัวไหนได้บ้างถ้าพระสวสดาบาล น, นี่ตัดสังโยชน์ได้สามข้อตัดละส ก, กายทิฏฐิละวิจิตกิจชาความลังเลสงสยัยละศีลพัตตะปรามาเ่อันนี้ก็เป็นพระสวสดาบาลขึ้นมา ตาพัสสกีดาคามีก็ทําให้สังโยชน์อีกสองตัวเบาบางลงไปคือการมราคะกับปฏิฆะสําหรับพระอนาคามีก็ตัดได้หมดเลยคือละปฏิฆะละกามรมละคะได้อย่างเด็ดขาดก็เป็นพระอนาคามีส่วนพระอรหันตก็ละสังโยชน์ได้5ข้อคือรูปราคะอรูปราคะมานะ อุทธัต จ, จะอวิชชาละสิ่งเหล่านี้ได้หมดก็เป็นพาาระอรหันต์นั้นการมีสติรู้เกิดดับเกิดดับเฉยๆยังไม่ได้มีมีฐานะอะไรรู้แล้วต้องละกิเลสได้ละสังโยชน์ได้ถึงจะเป็นมรรุมากผลได้คำถามข้อต่อไปจากคุณออยนะครับ แต่ก่อนนอนหลับสบายมากแทบไม่เคยฝันเลยเหตุใดพอมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจึงฝันร้ายบ่อยมากเช่นฝันว่าพ่อแม่คนที่เรารับประสบอุบัติเหตุร้ายแรงน่ากลัวมากแต่แปลกที่ในฝันเราก็ยังรู้ตัวยังพุโทโธพุโทโธตลอดทุกครั้งและบางครั้งเหมือนเรารู้สึกตัวทั้งคืนว่าพุโทโธพุโทโธตลอดเวลาคล้ายกับไม่ได้หลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าต้องแก้ไขอย่างไรถึงจะเลิกฝันร้าย เรื่องความฝันนี่เราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นวิบากของบุญของบาปที่เราทําถ้าเราทําบุญไว้เวลาถึงเวลามันจะส่งผลมันก็จะฝันดีแ้าเราทําบาปไว้เวลามันจะส่งผลมันก็จะฝันร้ายมันเป็นผลที่เกิดจากการทําบุญทําบาปของเราแต่ส่วนที่เราพุทโธพุทโธนี่มันก็เป็นผลจะที่เกิดจากการเราเจริญสติพอเราเจริญสติมันก็ติดไปนิสัยพอเวลานอนหลับมันก็พุทโธพุทโธ ฝันว่ากำลังพุทธโธพุทธโธได้งั้นถ้าเราอยากจะฝันดีพยายามทำบุญเยอะๆแล้วก็ถ้ามเป็นทางการฝันร้ายก็อย่าไปทำบาปคำถามเจ้าคุณพี่ชัยนะครับมีสติรู้ทันความคิดปรุงอยู่พอความคิดปรุงเกิดสติรู้ทันก็จะดับเลยยังไม่ทันน้อมไปในไตลักษ์รู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แค่รู้พิจารณาถูกต้องไหมครับ ก็ยังไม่ได้ตัดกิเลสมันต้องตัดตันหาความอยากมันเพียงแต่รู้เฉยๆตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เอาไปทำทำอะไรให้เป็นประโยชน์เหมือนกับเป็นการทำการบ้านรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับที่จะรู้ว่าเราได้ผลจากการปฏิบัติหรือไม่ก็ต้องไปใช้เวลาที่เราเห็นอะไรเกิดดับแล้วเราปล่อยวางได้เช่นเห็นร่างกายนี้จะตายแล้วเราบอกว่าออมันเกิดแล้วก็ต้องดับ ปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กับมันอันยงนี้ก็เรียกว่าบรรลุได้ได้ผลจากการปฏิบัติเพยียงแต่รู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับแต่ยังไม่ได้ปล่อยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นตอนนี้เราก็รู้ว่าร่างกายเกิดแล้วต้องตายแต่เราปล่อยมันได้หรือยังถ้ายังปล่อยไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ผลอะไรคนที่เขาไม่เห็นเกิดดับเขาก็ไม่ได้ปล่อยมอน ก, ออกันเรคนที่เห็นว่าเกิดดับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยมันก็เหมือนกันใช่ไห ที่เห็นเกิดดำนี่เพื่อให้ปล่อยถ้ายังไม่ปล่อยมันก็ยังไม่ได้ผลคำถามจากคุณแอปนะครับเดินจนกงกรมขึ้นชั่วโมงแล้วนั่งสมาธิมีอาการกระตุกเป็นเพราะอะไรคะไม่รู้เหมือนกันกระตุกก็ให้มันกระตุกไป น, ะนั่นนี่เราไม่ใช่เป็นหมอทุกอย่างไม่รู้มักระตุกก็รู้มันกระตุก ก, รร ก, ตก็กนล้นกันก็จบนะ รู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับไงเนี่ยให้รู้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาถามรู้ว่าเกิดดับแล้วมาถามทำไมจำไหมเหมือนมีบางข้อถามมาก็ไม่ไม่ได้ถามครับเพราะว่ากูเกิลน่าจะง่ายกว่าบางข้อเาไม่ได้ถามบางข้ามข้ามไปบ้างเลยใช่คำถามจากคุณตะวันยิ้มนะครับผู้ที่เสียชีวิตในบ้านเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุดวงวิญญาณที่เสียชีวิตจิต ของดวงวิ ญ, ญญาณเขายังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าครับแล้วเรานั่งภาวนาทุกครั้งทุกวันอุทิศให้เขาเขาสามารถรับได้หรือเปล่าครับเวลาจิตตายไปนี่ร่างกายตายไปนี้จิตจะอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ว่ามันมีความผูกพันกับสถานที่นั้นหรือเปล่าถ้ายังผูกพันกับสถานที่นั้นอยู่มันก็ยังอาจจะวนเวียนอยู่แถวนั้นไปก่อนแต่ถ้ามันไม่มีความผูกพันมันก็ไปนะเราก็อะไรข้อที่2องคือถามเราจะอุทิศบุญให้เขาได้หรือเปล่าได้ไหมครับ ถ้าเขรอบุญก็ได้ถ้าก็ไม่ได้รอบุญก็ารอเงินอย่นี้ก็ไม่ได้ท่านเขายังต oh, <c oughs> oh <ser> ิดอยู่ของเงินที่เราเป็นหนี้เขาอยู่อย่างนี้เขายังเราก็ต้องไปใช้หนี้เอาไปให้ลูกให้เมียเขาให้ครอบครัวเขาไปอพอเราใช้หนี้เ้าหมดแล้วเขาก็ไปคุณหนิงมีความสงสัยว่าศีลห้าไม่เต็มจะสามารถเข้าฌานได้หรือไม่เกิดศีลศีลห้าเต็มไม่เต็มไม่เกี่ยวเวลานั่งสมาธิมันก็เต็มอยู่แล้ว เพราะเวลาเรานั่งนี่เราไม่ได้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ลักทรัพย์เราไม่ได้ทาอะไรใช่ไหม mm hmm. ก็แสดงว่าเรามีสีห้าอยู่แล้วเวลามันจะเข้าสมาธิด้านไม่นั่มันอยู่ที่สติแต่ถ้าเราไม่มีสีห้าไม่ครบเราไปติดตารางนี่มันก็ไปนั่งสมาธิทาบาตร mm hmm. หรือว่าเราไปไปมีเรื่องมีราวใครต้องขึ้นขึ้นสารขึ้นอะไรมันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิ เพรนั้เราต้องมีศี่ห้าเพื่อจะได้กําจัดเรื่องวุ่นวายต่างๆให้มันออกไปจากชีวิตเราก็าเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันนี่คือความหมายของการมีศี่ห้าถ้าเรามีเวลามานั่งก็แสดงว่าเรามีสี่ห้าแล้วเพียงแต่ว่ามีมากมีน้อยมีครบแล้วไม่ครบถ้ามีมากก็จะนั่งได้บ่อยนั่งได้มากถ้ามีน้อยมีไม่ครบก็นั่งได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เต็มที่แต่มันก็ยังสู้ศี่แปดไม่ได้ ว่าสิบแปดนี่จะทำให้เรามีเวลาเพิ่มมากขึ้นว่าเราจะได้ไม่ต้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ต้องกินข้าวเย็นนี่มันก็ตัดไปได้ไม่ต้องไปร่วมหลับนอนกับแฟนมันก็ตัดได้ไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปงานเลี้ยงงานฉลองอะไรที่ไหนมันก็จะทำให้เรามีเวลามานั่งสมาธิได้มากขึ้นแต่จะสงบไม่สงบนี่มันอยู่ที่สติสิบนี่เป็นตัวเหมือนกับว่าหาเวลาให้เรามานั่งกัน คำถามจากคุณแบงค์นะครับผมเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวชาและรู้สึกว่าตัวเราเป็นกลมๆแล้วแบนจนติดพื้นที่เป็นเพราะผมคิดไปเองหรือเขาเรียกว่าอาการอะไรครับมันก็เป็นอาการที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเวลาเรานั่งสมาธินี่บางทีทําคิดว่าเราตัวพองบ้างตัวหดบ้างบางทีคันตรงนั้นคันตรงนี้อย่าไปสนใจมันจะมาเป็นมารขวางการทําใจของเราให้สงบให้เรากอดติดอยู่กับการภาวนาของเราไป เราใช้พูดโธก็พูดโธไปดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้เราขาดสมาธิขาดสติแล้วมันจะไม่สงบจะคุณดนดนน้ำพาอีกครั้งนะครับถ้ามีความทุกข์เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวต้องทําอย่างไรดีคะให้คุมใจให้สงบไม่รู้สึกทุกข์กับสิ่ง น, นั้นเบื้องต้นก็ถ้ามีสติก็ใช้สติหยุดก่อนอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์เช่นพุโทโธพุโทโธไป กำลังทุกข์กับเงินทองทุกข์กับสามีทุกข์กับลูกอย่างนี้ก็พุโทโธพุโทโธไปจนกว่ามันจะเลิมเรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องเงินทองไปแล้วมันก็จะหายทุกข์ได้ชั่วคราวแต่เดี๋ยวพอไปเห็นหน้าเขาไปคิดถึงเขามันก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องพิจารณาปัญญาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเขาเป็นอย่างนี้เราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นกล้วยอย่าไปาย้ายเขาเป็นส้มเขาเป็นอะไรก็ ไหวก็เป็นไปยอมรับความเป็นจริงของเขาเขาดีหรือไม่ดีก็ยอมรับเขาเขาจะไปมีแฟนใหม่ก็เรื่องของเขาลูกจะเกเลไม่เรียนหนังสือจะเล่นเกมก็เรื่องของเขาถ้าเราเราไม่ไปเปลี่ยนเขาไม่ไปอยากไปเปลี่ยนเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอันนี้เป็นปัญญาจกคุณธรรมดานะครับถามว่าหากต้องการประจาวัดเพื่อปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ครับ ที่วัดก็มีที่พักให้พักได้ลองติดต่ อ, อที่วัดญานญูก็ให้พักได้อย่างต่ำสามวันอย่างน้อย3มวันแล้วอย่างมากไม่เกินเจวันต้องจองที่พักเพื่อความแน่นแน่นอนถ้ามาปุ๊บนี่อาจจะว่างอาจจะไม่ว่างก็ได้จากคุณวรพัฒน์นะครับลักษณะแบบไหนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีหลักใจก็มีสติไงมีความสงบ ไม่วุ่นวายมีโอเบคาสักแต่ว่ารู้ใครจะดา่าใครจะชมก็เฉยเรียกว่ามีหลักใจใจเป็นเหมือนหินใจไม่ลอยไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ไม่ลอยไปกับสิ่งที่มากระทบทางทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกนิ้นกายเห็นเงินก็ไม่ตาลุกวาวขึ้นมาว่าอาบัจากคุณแ บ, บ่มารุนะครับ บางทีหลุดพูดอุทานออกมาเป็นคําหยาบจะผิดศีลไหมครับคําหยาบมันก็ผิดอยู่แล้วนแต่ว่ามันที่เวลาสมาทานศีลเขาเขาให้ถ้าเราถือเราก็ผิดถ้าเราไม่ถือก็ยังมาถือว่าไม่ผิดเพราะศีลห้าก็มีแค่ไม่พูดปดศีลแปดก็ไม่พูดปดใช่ไหมเวลาสมาทานนี่มันมีแค่ไม่พูดปดเท่านั้นเนี่ยบูษาวาดาเวรามณี มันไม่ได้พูดถึงการพูดคาหยาบการพูดเพ้อเจ้อการพูดส่อเสียดอันนี้มันเป็นศีลที่ละเอียดซึ่งมักจะใช้กับพวกนักบวชกันพวกแบบผู้คลองเรือนนี่เขาก็ยังพลาดยังเผลออยู่เดี๋ยวเจอกันคุยกันเดี๋ยวก็คาหยาบก็ออกมาละเดี๋ยวก็นินทากาเลกันไปเพ้อเจ้อกันไปพูดยุดยงให้ด่ากันให้ทะเลาะกันมันเป็น มันศีลที่ละเอียดมันเป็นของพวกนักบวชที่เขาใช้กันสําหรับผู้ที่ถือศีลชั่วคราวพวกชาวบ้านนี้เขาเขายัางรักษาไม่ได้หรกักศีลพวกนี้ก็เลยไม่มีการสมาทานกันเลยถือว่าไม่ผิดศีลห้าไม่ผิดไม่ผิดศีลแปดแต่ถ้าสมาทานแล้วก็ผิดถ้าเราสมาทานถ้าเราอยากจะซื้อศีลละเอียด น, นี้แล้วเรารักษาไม่ได้ก็แสดงว่าเราเราผิดครับำถานทุกคุณชื่อโซ่นะครับ เวลาคุณแม่ทำบุญตักบาตรตอนเช้าทุกวันคนที่เป็นลูกในครอบครัวจะได้บุญไหมครับเพราะเราก็เป็นคนซื้อของและให้เงินคุณแม่ทุกเดือนถ้าเป็นของของเราที่เรามีส่วนร่วมด้วยเราก็ได้บุญด้วยต้องเป็นของของเราถ้าไม่เป็นของเราเราก็จะไม่ได้บุญคำถามนี้นะครับจากคุณพจนีนะครับจริงๆไม่ค่อยอยากถามนะครับพาพิงนะครับ มีคนบอกว่าเขาบรรลุโสดาบันแต่เขาทําไมชอบพูดอวดตัวเองเขาบรรุจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่เอ า, าสรุปสักสองสามคำถามใกล้จะหมดเวลาแล้วครับอเป็นคําอันนี้คําถามทางโลกหน่อยนะครับคุณมงคลนะครับผมไม่อยากมีลูกเพิ่มหนึ่งคนปัจจุบันมีหนึ่งคนแต่ภรรยาผมอยากมีเพิ่มอีกจนเกิดเป็นความทุกข์เพราะความเห็นไม่ตรงกันทะเลาะ ก, กันปัจจุบันยังหาทางออกไม่เจอเลยครับ ควรทำอย่างไรก็ยอมย้อมเข้าไปคนก็ยอยางได้ก็อยากจะอยู่ด้วยกันไม่ต้องมีการมีการก็อะไรต้องประสานส่วนเหมือนยอมกันบ้างจะอยู่ด้วยกันได้คำถามจากคุณหน่งนะครับเคยฟังคำเกี่ยวกับอนัตตาทำให้เข้าใจว่าร่างกายและจิตใจไม่ใช่ของเรา ตอนที่ได้ฟังนั้นเกิดสลดใจอย่างมากแต่พอกลับมาใช้ชีวิตประจําวันเจอเหตุการณ์กระทบจิตก็ยังมีอวิชชาอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นเพราะจิตยังไม่ได้เข้าใจจริงๆใช่ไหมครับใช่มันเป็นเพลงเข้าใจแบบสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นมันยังไม่ได้เห็นด้วยตาจริงไม่ได้เห็นด้วยปัญญาไม่ได้เห็นจากการปฏิบัติไม่ได้เห็นด้วยใจเห็นจากการคิดเท่านั้นเองซึ่งยังไม่มีกําลังพอที่จะดับอวิชชาความหลงได้